อาจารย์ขับรอาจารย์ยังอยู่ข้างนอกบ้านเลยผ่านยังไม่ถึงบ้านนะอยู่ช่วั้งเรียนนะสายช่องั้งเรียนอยู่แต่ช่อนัเรียนอยู่เลยค่ะวันนี้ผู้ปกครองค่ะวยนนี้มาตักแต่านกันค่ะวันนี้มาตากแว่งกานกันด้วย็ันค่ะดีนะทุกคนอย่าดื้อย่าซนนะเราจะยังซนนะ ไอ้ครับคพระาาร์ค่ะโอเคค่ท่านนี้ก่อนเน้ค่ะนมัสการจาันไปดีจามร์จามจัตที่เราเนมัสการอาจารย์ครับครับวนนี้มาสบกกันบ้านเช่นเคยครับอันนี้ยังนั่งสมาธิอยู่เปล่านั่งอยู่ครับอย่าเป็น ยาทิ้งมาสมาเท่นี้เป็นของมีคุณค่ามากนะคเคยได้ยินนิทานเรื่องไก่ได้พลอยัหมเคยครับไก่นี่หา ก, กินก็หาอะไรหาไส้เนือนี่ไะครับเขาไปเจอเพเชรเจอพลอยก็ทำอะไรจริงครับจริงนะพวกเราก็เหมือนกันนะหา ก, กินหา ก, กินกัอะไรหาหากเกมนี่นะหากเกมเล่นกันนี่ั้ย ครับว่าเราจะธรรมะจะสมาธินี้ไม่เอาเลยนะครับ<อ>เอาไหมก็เอาครับแล้คุณข้านะสมาธินี้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะครั<อ>แต่เกมนี่ทําให้เราติดติดกับความทุกข์มากขึ้นนะครับเข้าใจนะเข<อ>้าใจครับงั้นอย่าทิ้งเดินเดินขาถ้าไม่มีเหตุสุวิสัยครับ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 จะร่อมคลความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างต่าหรือว่าเราจะต้องปรับทาบจากของรักของเกิดใจหลายทั้งควรเรามีกรรเป็นของของตนมีกรรเป็นผู้ให้ผล ม, มีกรรเป็นแรนเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นที่พึ่งอาศัยเราทากำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลขอ ง, องการนำเ็จไปแล้วทั้งหลายควพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเืนนิน้นากกายของเรามีอะไรบ้าง ม, ามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังพื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 น้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนื้อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเยื่อในสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยไ้ใหญ่ปอดไตฝังผึตับหัวใจหมามเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็น เนื้อหนังปันเล็บขนผมเวลาเห็นร่างกายของคนนั้นคนนี้เห็นอาการฐานทตุสองมันน้งนึกถึงมั้งก็ม่เคยเลยไม่นึกเลยเลยครับเออไปเอาไปให้นึกไงเวลาเห็นร่างกายของพ่อของแม่เห็นเห็นร่างกายของเราต้องนึกถึงของที่มีอยู่ข้างในด้วยครับเรา ลองทำดูนะแม้ท่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นเหมือนนกแก้วคอบนี่เคยได้เรื่องนกแก้วไหมแก้วมันว่าแก้วจ๋าแก้วจ๋าเอแก้วให้มันมันก็เกลียดทิ้งไปมันยาวกล้วยให้กล้วยความาับเลยครับอืองั้นอย่าอย่าท่องเฉยๆนะท่องแล้ต้องเห็นด้วยครับไม่ยามฟัง มองร่างกายของเราเวลาดูหน้าเราเป็นนกระจกต้องดูก็หลกศรีรษะที่มันอยู่ภายใต้เหน้าเราหนังเรานี่หุ้มหอ่ออะไรไว้ถ uh ้าเปิดไปเป็ น, ปนสายแล้วต่อไปมันจะได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของทุกคนถ้าท uh ่องจะต้องเฉยๆต้องเฉยๆยังไม่มีประโยชน์ท่องแล้วต้องเอาไปปฏิบัติ เอาไปใช้เรลาเห็นหน้าตาเห็นร่างกายของใครต้องนึกถึงอาการสารัสองถ้าเราจะได้ชนะกิเลสคือการมาลาคะได้มีคำถามอะไรไหมให้มีหนุนต่อท่านนี้ก่อนนะกล่าวกับพวกคนฟ้าจารย์ครับ อไปที่ดัชเชสทาวันต่อวันนี<ม>้ไม่นะอยู่เลยตะ ว, วันตเอ่อแม่หนุ่ยมากเลยกับน้แม่ไปทําอะไรมาเออแม่ก็เจ็บเฉพกอยู่กบอ๋อแล้วตะ ว, วันมีอะไรไหมวันนี้อมีนึ่งคำถามครับเอ่าถามมาถ้าผมกาลังเดินท่วงโค้งผมต้องดูผมต้องดูพื้นหรือเท้าของผมอยู่ก็เออ ดูทั้งสองอย่างนะอย่ เ, ยเกิดข้างที่พื้นี้ของเลื่อนเราจะได้ไม่ไปเหยียบมันแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนหกล้มได้หรือมีงูมีอะไรเราจะได้ไม่ไปถูกมันกัดได้ถ้าไม่มีอะไรให้ดูก็ดูที่เท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วก็ดูที่พื้นที่เราเดินไปด้วยข้างหน้ามีอะไรมีแก้วมีมีของ มีแก้วแต่งวางขวางทางหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ า, าต้องดูทางที่เราเดินแล้วก็ดูเท้าเราด้วยว่าตอนนี้เราก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาซ้ายขวาซ้ า, ายขวาไปหรือเราเดินไปเราพุโทโถพุทโถไปก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการหยุดความคิดการเดินจงกรมเพื่อคอยควบคุมความคิดเพราะความคิดของเราส่วนใหญ่มันจะคิดไปในทางที่ไม่ดี กิจเสนาธิการกิเลสราสร้างความทุกข์ให้กับเราเข้าใจไหมโค okay, ครับมีมีอะไรกไหมไมมีครับวันนี้ก่อนนะโอเคครับโอเควันนีน้น้องพีต่อน้องพีมีอะไรไหมครับเรีม่ทาบหล ง, งครับ วันนี้โนมไม่มีคำถามค่ะเข้ามาอากาศหลงตาค่ะเนี่ย้องพีไม่สนใจธรรมะเลยใช่ไมถึงไม่มีคำถามเพราะเพราะว่าอ่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้าเข้าถึงค่ะแต่แต่ก็มีแต่ก็มีคิดว่าบ้างว่าแบบทำไมแบบ สัตต้องมาแบบเกิดมาแล้วก็แบบมีกรรมเป็นของตัวเองเยอะขนาดนี้ก็อย่างเช่นอย่างเช่นหนูก็หนูก็แพ้แพ้อาหารหลายอย่างก็อย่างเช่นนมเนยถั่วเหลืองงา อ, อะไรพวกนี้นะคะก็ก็ไม่สามารถที่จะกินอาหารเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนผสมหลักของอาหารทุกทุกอย่าง ก็อันนี้ก็คือเวรกรรมของหนูใช่ไคะที่หนูทำทชาติที่แล้วมันก็อาจจะเป็นเวรกรรมก็ได้อาจจะเป็นร่างกายไม่บกกร้องก็ได้ร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์บางส่วนอาจจะขาดหายไปและเสียไปก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จ ะ, ะทำอะไรเหมือนคนปกติได้ คือมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สําคัญว่ามันมาจากไหนแลเราถามตัวเองว่าเราจะอยู่กับมันอย่างแฮปปี้เนี่ยให้เราแฮปปี้ได้หรือเปล่านที่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเราก็ต้องปรับใจยอมรับความจริงอกินไม่ได้ก็ไม่กินมีอย่างอื่นต้องกินได้เยอะแยะเข้าใจไหมแต่าไปอยากทาในสิ่งที่มันมันมันเป็นไปไม่ได้ถ้ากินไม่ได้ก็อย่าไปกินมันถ้าอยากกินแล้วมันก็จะทุกข์เพราะมันไม่ได้กินกินไม่ได้ นะเรา mm hmm. มันเห็นมันจะมาจากอะไรไม่สำคัญสำคัญว่าตอนนี้เราจะทำยังไงที่จะทำให้เราไม่ทุกข์นะอย่าไปอยากให้เหมือนคนอื่นคนอื่นเขากินทุกอย่างได้เรากินไม่ได้เราอยากจะเหมือนเขาอย่างนี้ก็จะทำให้เราทุกข์ได้ใช่ไหมใช่คร <c oughs> นะบ <c oughs> แล้ว่ากินในสิ่งที่เรากินได้มันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมครับ <c oughs> นะ ยพยายามฝึกขาดจิตใจสอนใจอย่าไปอยากทำในสิ่งที่เราทาไม่ได้นะอย่าไปอยากกินในสิ today, thế, ่งที tem, ่เรากินไม่ได้ทำในสิ่งที่เราทำได้กินในสิ่งที่เรากินได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์คุณแม่เขาเป็นโรคภูมิแพ้เลยแพ้เยอะมากเลย อาจจะมาจากแม่ก็ได้มาจากพ่อก็ได้แม่เป็นหรือเปล่าพ่อเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะแต่ก็ย<ม>ไม่ได้แพ้อาหารนะคะอืมแพ้แค่แบบพวกลายฝนแล้วก็ปีกแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแต่หนอาจจะแบบว่าเออ่มีเขาตอนอายุมากค่ะหนูพอ่อ<ม>ค่ะก็เลยทําให้แบบเหมือนว่าร่างกายหนูก็ไม่ปกติไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ ค่ะนูกพี่็ตอนเกิดมาก็สองโลแปดเองค่ะหลวงพ่ อ, อแต่มาโตข้างนอกอแล้วแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องปรับตัวเองให้อยู่กับความจริงให้ได้อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากในสิ่งที่มันไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้เหมือนมีคกเขเล่า้คำว่าถ้าเราอยากให้พระที่ขึ้นทางทิศตะวันตกนี่อยากที่ไรมันก็จะทำให้เราทุกทุกทีใช่ไหม พมันเป็นไปไม่ได้ภาพทีพ่มันจะขึ้นทางที่ตะวันตกได้ไหมแล้วเราก็ต้องรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่กับเราที่เป็นกับเราอยู่กับเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเข้าใจาไหมอมีอะไรไหมไม่ไมีเจ้าค่ะจบแล้วใช่ไหม ถ้าจะเป็นสมาชิกห้องนี้ต้องนั่งสมาธินะต้องอย่างน้อยวันละห้านาทีสิบนาทีก็ยังดียังไม่รับไม่รับสมัครเป็นสมาชิกนะไม่นั่งสมาธิห้องนี้เป็นห้องสอนสมาธิก็ได้ไหมครับครับรับรับปากก็ไดนะการการรับปากหรือเปล่ารับปากไหมครับนวันห้านาทีสิบนาทีได้ไหมเออได้นะคับ เล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงอะไรนะครับเล่นเกมวันละกี่วันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีไม่ได้เล่นเลยครับไม่อนุญาตให้เล่นเลไม่ให้เล่นเลยไม่ให้เล่นค่ะแต่เวลาเขาไปบ้านคุณแม่เขาก็จะก็ให้เล่นทางบ้านน้นให้เล่นหนูก็เล่นทีวันละหนึ่งชั่วโมงคร่ะ หนูหนูก็มึนตืบเลยเพราะว่าบ้านบ้านนี้ไม่ให้เล่นเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ทําตามกฎแต่พอไปนอนบ้านบ้านบ้านคุณยายมีป้ปปาๆมีคุณยายอย่างเงี้ยก็อนุญาตให้เล่นแต่เขาก็ให้เล่นแค่หนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะต้องมี ม, ม, มีมีขอมีเขตนะเล่นได้บ้างออยา่าขให้ตามใจจะข้างเสียเสียนิสัยได้ค่ะ มือสมายนี้มือถือเป็นเป็นพิษเป็นภายกับเด็กมากนะต่างประเทศรัฐบาลเขาต่างประเทศก็พยายามจะออกก่อนนะห้ามไให้ออกใช่หมือถือไม่ออกแล้วค่ะประเทศหนึ่งออสเตรเลียแล้วไม่ไงใช่ใช่ค่ะหนูก็ดีเลยแต่ทีนี้ว่าคือช่วงเนี้ยพอเขาเริ่มโตครูเขาก็ให้เอามือถือคือเด็กคือเขาก็ไม่ได้บังคับอะค่ะแต่ว่าคือพอเอาไปโรงเรียนเนี่ย ครูเขาก็ให้เอาไปเก็บไว้ที่คุณครูให้ปิดเครื่องแต่เวลาพอ<ม>ถึงเวลาคราบชั่วโมงที่คุณครูมาสอนถ้าเกิดก็ให้มีแบบว่าเล่นเกมตอบคําถามอย่างเนี้ยค่ะเรื่องเรียนครูเขาจะมาให้ให้ก็จะให้เดล่ น, <ม> เ, ลนเล่นเสร็จแล้วก็ไปคืนครู ถ, คถ้ามันเป็นเครื่องมือเพื่อสอนเพื่อการเรียนการสอนก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษของของเหานี้แต่เม<า>ื่อใช้มันก็เป็นประโยชน์จาวาทีดหนูไม่ให้แตะเล้ว เด็กพอไปรับพอไปรับชื่นเรียนก็บอกให้ปิดให้หมดห้มามเล่นอย yeah. ่างนี้ค่ะถ้าตามใจเด็กมากกันไปเด็กจะเสียได้นะเพราะเด็กก็มีกิเลสเป็นตัวนำพาไปชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใช่คนะ่ะไม่ชอบเรียนไม่ชอบศึกษาค่ะพ่อแม่มก็ต้องอย่าใจอ่อนอย่าไปตามใจสงสารอย่าให้ลูกมีความสุข แต่ความสุขแบบนี้มันความสุขแบบยาเสพติดนะนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีก็า่าดหลวงพ่อโอเคนะไดขอพรอหลวงพ่อได้ไหมคะวันนี้ไม่น่าจะ ง, งพ้พรหรอไม่น่าจะได้พรหรอกอยู่ว่าอยู่ตายก็ตายมันยังจะวยว ไ, <c oughs> ไม่มีใครไป <c oughs> สังมันได้หรอกร่างกาย <c oughs> อยากลูกศิษย์ทุกคนหนูก็เชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนก็อยากจะให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพล่มไทรให้พวกเรา<ด>ทุกทคนนะคะมันอยู่ได้ก็ดีมันไม่อยู่ไม่ได้ <c oughs> พระพิจารอยู่ได้แค่แปดสิบปีเลยค่ะแล้วยังไงก็ <c oughs> มันในใจนะคะหลวงพ่อก็งั้นนี่แหละก็อยากให้พระที่ขึ้นดังพิจารวันรไงค่ะห <c oughs> ลวงพอ่อ <c oughs> อย่าไปอยากเลยเอาตามมีตามเกิดถึงกระฉันโดดยินดีตามมีตามเกิด เราใจยังไม่ถูกนะค่ะหลวงพ้อหลวงพ่อพี่รับรับรับปากใช่ไ่าจะนั่งสมาธิหรือไม่การรับปากพูดมาตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องไม่บังครับแต่ถ้าจะมาเป็นสมาธิห้องนี้ก็ต้องนั่งสมาธิไม่ใหลงกาไม่ให้เข้ามาห้องเรานะเดี๋ยวอาทิตน่าเข้ามาจะถามนะจะถามทำกันบ้างหรือเปล่าแต่แม่ก็แจที่เขานั่งวันละสาสิบเนี่ย ขอบพคุณก็ค่ะน้องพอ่อนะป็นไงครับลูกไม่บองครับเนี่ยเพยงแ่ให้ไปให้ก็ตัดสินใจไปคิดดูก่อนก็ได้เดี๋ยวาโอกาสลวงตาให้โอกาสมาหลายเดือนแล้วนะเนี่ยหลงวงตาบุษขาให้โอกาสนะเนี่ยเวลาพอจะแบบให้สวดมนต์ทีก็โอ๊ยบิดออกกำลังกายทันทีหนุ่มเมื่อยน่นนเอนูนจะเป็นเหมือนไก่ได้พลอยอเลยอของดีไม่เอาชอบไม่ชอบของดี จอบของเล่นหรืออย่างเวลาโม้เวลาโม้เวลาเลา่นน้เป็นชั่วโมงเนี่ยวสวดมนต์แค่สิบนาทีแต่ไม่ยอมทําำ <mats> สวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะคุวงพ่อต้องให้เขาทําทั้งสองอย่างเพราะว่านี่เขาจะสวดมนต์อย่างเดียวว่าะหนูบงังคับให้เขาสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิต่อเอ่านี่นี่เขาสองอย่างอะไรเงี้ย นะเป็นของดีนุ่มแบบหนูทําไปแล้วหนูจะมีความสุขมากไ ม, ไ, มไม่มีพิษไม่ภีภัยนะรไหมของของที่พระเจ้าสอนนี่เป็นของมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของพวกเราทุกคนแต่ของที่กิเลสสอนพวกเราเนะี่ยเปนมีพิษมีภยัยแต่เราชอบให้มันชอบให้มันสอนเหมนกันให้นั่งดูหนังให้ฟังเพลงให้กินนูน่นกินนี่นี่เป็นกิเลสทั้งนั้นคนะ่ะประเด็น รล้วตอบลงตาแล้วนะโอเคนะโอเคแต่ที่น่าถ้าเข้ามาจะต้องถามว่าต้องต้องส่งการบ้านนะส่งการบ้านส่งการบ้านว่าส่วนนวลนั่งสมาธิหรือเปล่าครับนี่ให้การบ้านไปทำแล้วนะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อแม่ก็ทําไปทั้งวันทั้งคืนลูกก็ไม่ทําแม่ก็ ไปพูดแล้วหนูเหนื่อยพูดแล้วลหลวงพ่อแม่ก็นํานำํนำให้นําเขาด้วยถ้าแม่ทาแม่ว่าต้องทําตามนค่ะก็าบางทีหนูก็จะเป็นตอนช่วงเช้าเจ้าค่ะก็คื อ, อส่วนมนต์ตอนเช้าแล้วก็ฟังธรรมตอนเช้าแล้วก็คือถ้าฟังธรรมบางทีก็แบบนั่งจิตสงบไปด้วยอย่างนี้แล้วค่ะก็คือเปิดทาง y o u ูทูบแล้วก็จะทําวัดเช้าตามในวิดีโอในใน u ูทูบอ่ะเจ้าค่ะอืม เป็นกิจวัตรที่ดีเป็นการอบรมจิตใจให้สงบได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาโอเคนะขอให้หลวพ่อนแข็งแรงนะเจ้าค่ะรอแล้วรอ้อา่าฮ่าฮ่า่่าอกนมัสากหน่งใครที่น้องอะไรน้าิมนอน้องทิมกับคุณแม่คุณแม่ฝน งั้ ง, งทีมีการบ้านมาส่งอ้องตามไหมช่วงนี้ก็พยายามจะนั่งสมาธิสวนมนต์หน่อยก็ได้นะอ่าส่วนมนทั้งหน่อยก็ดีทําทุกวันเจ้าค่ะพคะจารย์สวดมนต์เราก็นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้หนูให้เขาจัดการตัวเองเจ้าค่ะก็ให้เขาดูแลจัดการตัวเองไปว่าถึงเวลาเราก็ต้องไปสวดมนต์แล้วเขาก็ตั้งเวลานั่งสมาธิเองค่ะ ถ้าไม่ได้ทำารบ้านก็อยากเข้ามาห้องนี้นะตอนจะ <c oughs> ถูกถามจะถูกทวงนะถามทํากันบ้างหรือเปล่าดีเลยเจ้าค่ะอะไรงานหนลงตาซิส่งกันบ้านหนลงตามาได้ทําเป็นยังไงบ้างคะชทำทุกวันคร่ะเนี่ยทำอะไรครับสมาธิห้าสี่ครึ่งนั่นจะทีทำยังไงเวลานั่งสมาธิทำยังไงอั่งโดยแล้ ว, นะวคิดถึงฆาบุตรค่ะ ค, คินถึงก็อยู่พุโทโธพุโทโธเลย ตลอดทั้งห้านาทีเลยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่หรืออ่ามาทำอะไรโจที่ไม่พุทโวไปทำอะไ ร, ค, ระคิดเกียดดร ค, ครับอ่าคิดเกียระคิดเกียรตินะคิดกันดังสุดคิเกียครับคีดเกียรแต่ไปคิดเงินได้ใช่ไหครับ <ละ S 1> อ่าทไมคิดเงินไม่คีดเกียรตนะคิดไปจะคิดเกียรยังไง ถ้าคิดเกี่ยวมาต้องไม่คิดทั้งหมดเลยพูทโธก็ไม่คิดความคิดในเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ก็ไม่คิดนะครับถนะ้าพยายามฝึกไปนะต่อไปหนูจะมีพลังจิตจะมีกําลังสู้กับกิเลสได้แต่ครับจะพยายามสู้กันค่ะเอืดีสาธุก็ตั้งแต่อ่า ช่วงสองสามอาทิตย์นี้แล้วค่ะที่หนึ่งเขามาสวดกลับมาสวดมนต์นั่งสมาธิได้ะค่ะพระอาจารย์เขาดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะดีแบบคือยังคุยกับคุณพ่อเขาเลยว่าตั้งแต่เขากลับมาทำอีกรอบอะคะ่ะเขาเปลี่ยนไปในหลายๆเรื่องเลยค่ะดีขึ้นคุณแม่พูดอะไรเขาก็ก็รับฟังขึ้นนะคะนิง่งนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นนะคะพระอาจารย์ดีพยายามอบรมเขาไปมหน้าที่ของพ่อแม่ต้องคอยอบรมลูกค่ะ ก็เดี๋ยวนี้ให้เข้าซูมพระอาจารย์ก็ก็ไม่ได้มีอ่อนก็คือก็โอเคเลยค่ะก็ให้เขาเป็นคนล็อกอินเข้าซูมแล้วก็รอเวลาเข้าซูมพร้อมกับคุณแม่ค่ะแล้พอดีเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเข้าห้องนี้ต้องนั่งสมาธินะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นสมาชิกได้ก็หันไปย้ํากับเขาเขาก็รู้สึกว่าเออเขาคือเขาเป็นคนทือถ้าเกิดแบบล็อกเมสเซจมาว่าต้องทําแบบนี้ค่ะเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะต้องไป m ม n a g ตัวเองในการที่จะต้องจัดการทําอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ ค่ะส่วนส่วนของของหนูก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าอาจจะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับสีนิด น, นึ่งะคะว่าอย่างสมมติว่าคนที่จะบรรลุเป็นโสดาบันนะคะที่เขาจะไม่มีขิดสีเลยค้าข้อค่ะพระอาจารย์อย่างอย่างเลเซวาอย่างสีข้อสีะค่ะที่อย่างมุสาวาทาค่ะคือเขาจะไม่ จะไม่พูดเล่นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ต่อให้แบบคือคือคือเขาไม่ได้มีเจตนาโกหกค่ะอย่างสมมติว่าหนูคุยเล่นกันกับลูกแบบเนี้ค่ะว่าแบบเออทีมนี้ไหมแบบแล้วหนูก็แก้งบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งนั้นที่มันมีอะค่ะคือแบบเนี้ยค่ะเราคือคือเหมือนเป็นมูส์สาแบบด้วยไหมคะอาจารย์ก็อาจะเป็นพูดแบบโอ๊เจอาอะไก็ได้ไม่ก็าไม่ได้ตั้งมันไม่ได้เป็นการโกหกแบบที่เป็นการปกปิดความชื่อหรืออะไร แต่มันก็เป็นวาจาที่ไม่ไม่สมควรที่จะพูด <c oughs> ถ้าเป็นพระผู้ที่เขามีศีลขั้นสูงเนี่ยเขาจะระวังระวังเรื่องเรื่องวาจาของเขาก่อนเขาจะพูดอะไรเขาจะมีสติรู้ทันก่อนค <c oughs> บางทีเราพวกเราพูดไปแบบไม่มีสติใครทักอะไรมันก็เปล่าก่อนเลยไปไหนมาเปล่าก่อนน พูดแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้สติตพูดใช้แบบใช้นิสัยพูด <Yeah. S 2> แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีสติตแล้วเขาจะระมัดระวังก่อนที่เขาจะปล่อยว่าจะเอามันก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องอย่าพูดอะไรค่ะค่ะนั้นก็ต้องฝึกสินให้ดีอาจาอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดคำหยาบแ <Yeah. S 2> ม้แต่เวลาโกรธขึ้นมาก็อย่าระบายออกด้วยคำหยานะค่ะ yeah. yeah. ดีที่ถามพระอาจารย์ข้อนี้เจ้าหาะจะได้จะได้เคลียร์ไปอะไรแบบเนี้ค่ะว่าจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างสี่ข้อเนี้ยค่ะก็เลยแบบไม่มั่นใจว่าเออแบบมันจะแค่แค่อยู่แค่ว่าอการแบบไม่โกหกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่ามันควเวอร์ไปถึงการพูดเพ้อเจ้าพูดจาสอดสเสียรหรือว่าพูดคำหยาบอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะคือในสินห้า ม, มันไม่ได้ห้ามมันไม่ห้ามเพียงแต่ไม่ให้พูดปลดอนนะไรแต่คําไม่ให้พูดเพ้อเจ้าพูดคำหยาบ อ น, นี่มันเป็นเป็นสิที่ละเอียดสําหรับคนที่มีทำขั้นสูงก็จะไม่พูดกันก็ค่ะพระอาจารย์หนูจะได้เข้าใจให้ให้แบบถ่องแท้ค่ะจะได้รู้ว่าเออจะได้ต่อไปจะได้ฝึกฝึกที่จะระมัดระวังคําพูดให้มากขึ้นนะคะถ้าพูดเพ้อเจ้อแล้วพูดคําอย่าดนี่นก็ไม่ผิดสีหน้าในสีหน้าไม่ผิดนะนั่นผิด เป็นผิดสินของผู้ที่มีธรรมขั้นสูงมีธรรมขั้นสูงว่าอย่างพระโสดาบันก็ถือว่านผู้มีธรรมขั้นสูงใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูจะได้เข้าใจว่าไอ้เจ้าขาพระอาจารย์ได้เจ้าขาต้องหรือพวกนักบวชทั้งหลายนี่เขาไม่พูดคำวาจาเหล่านี้ค่ะหรอกเป็นพระเป็นชีนี่ต้องไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้าไม่พูดสอ่อนเสอืจ สาเสียก็คือผููดยุออยงให้คนเขาทะเลาอะอ ก, กันเรื่องสาเสียค่ะดีดีที่ถามพระอาจารย์นะะจะได้แบบจะได้เข้าใจ่จะจะจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นเท่าค่ะพระอาจารย์ในสินห้าสินแปดนั้นท่านห้ามเป็นแบบไม่ให้พูดเกดไม่พูดความจริงเข้าใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ โอเคนะค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเ้าอากาศอากา ศ, ากาศทางนู้นพีเอ็มสองจุดห้าแรงไหมคะพระอาจารย์เราก็ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่<อ>จะแม้ก็่องก็ต้องอยู่กับมันไปไปสนใจมันทําไม <laughs> แต่ยังหายใจได้ก็หายใจแต่ส่วนใหญ่อยู่อยู่ที่บ้านมั น, นต้นไม้เยอะมันไม่อากาศ <c oughs> ไม่ค่อยมีปัญหา ท, ที่นี่ยายเลยเนาะเพราะว่าแบบ แย่ทางแม่ทางลูกเลยต้องหายไปกันารเัาก็ไม่มีคุ้มแค่ล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยับเรื่องอาการเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ไปวิตกกางวลกับมันเจ้าค่ะขอขอให้พระอาจารย์ท่าแข็งแรงนะเจ้าค่ะก็ขอให้เตรียมดำดดีกว่าอย่ามาขอเราเลยออเจ้าค่ะเพราะมันขอได้หรือเปล่ามันก็ขอไม่ได้อยู่ดีนะเออเจ้าค่ะใช่ไหมนั่นเรื่องของธรรมชาติมันจะเป็นก็ต้องเป็นเราไปขอแล้วเราก็ไปเครียดกับมันเราเปล่าเจ้าค่ะ คือสู้ปรับใจเราให้อยู่กับมันให้ได้ดีกว่าค่ ะ, ะอยอมรับกับสภาพแล้วเราจะได้ไม่ทุกไม่ทุกก็เราอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะอ่ะตอนนะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องมาปรับตัว<ม>ความคิดของเราใหม่อย่าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนได้ก็คือใจเราใจเราไม่ยอมรับ คนก็ต้อสอนว่ามันไม่รับไม่นับก็ต้องรับอยู่ดีค่ะไม่ยอมรับก็ทุกข์ไปเปล่าๆนะขอบใจนะขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากก็ค่ะจะน้อมนําไปค่ะไปได้คุณหมอพิเชษต่อยังไม่ได้เปิดใหม่คุณหมอยังไม่ได้เปิดใหม่คุณนมอกลับแลมาสกการพระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายบดเรื่องความผูกพันครับพระอาจารย์ความผูกพันมันเกิดจากความหลงความหลงที่เที่มันเป็นของเราว่ามีอะไรเป็นเราเป็นของเรา ป, รเปั๊บแล้วก็มีความผูกพันอกับมันเราคนอื่นเราไม่มีความผูกพันด้วยใช่ไหมวันที่เราไม่รู้จักเราไม่สนใจเ้าจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เป็นหลงคิดว่าเป็นของเรา แล้วมีมีมีมีอะไรกับเราแต่พออะไรที่เราเป็นของเราปั๊บซื้อวัตมานี่พอเป็นของเราปั๊บผูกพันขึ้นมากลความรักความโวงความห่วงขึ้นมาทันทีเห็นดาวบยาญัตพิจารณาอนัตตายุเรื่องพระเจ้าสอนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราต อ, อนนี้ทั้งหมดมาจากธาตุสี่ธาตุธาตห้ า, 4, า, า 5, ดินน้ำลมไฟกับธาตุจิต่ากกนรู้ ถ้าร่างกายของคนละสารก็เป็นธาตุห้า 5. ถ้าเป็นของวัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็เป็นธาตุสี่เช่นต้นไม้รถยนต์อะไรพวก น, นี้ก็ถือว่าเป็นธาตุที่มันมารวมตัวกันเดี๋ววันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมแล้วมันก็จะต้องสลายไปนี่เป็นกฎของตายลวทุกสิ่งไม่อย่างในร่องนี้เป็นตายละลองมองให้เห็นเป็นตายลวถ้าไม่อยากจะทุกขกับรักของเรานี้ ก็ใช้มันไปได้แต่ต้องเตรียมตัวเตรีมใจที่จะรับเวลาที่จะต้องมีการาพลัดพลาดจากกันมันต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรามองเห็นอย่างนี้แล้วใจเราก็จะไม่ผูกพันไม่ผูกพันใจเราก็ไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่หวม่วงไม่หวม่วง ถ้าเวลามันจะไปไปหวงมันก็มันก็ห้ามมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันดีคืนดีมันก็อาจจะจางเอาไปได้ดนั้น <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีเข้ากองอยู่ <c oughs> ก็อย่าไปถือว่าเป็นของเราเป็นของยืมธรรมชาติเข้ามาเนี๋ยวันอย่างธรรมชาติก็ขอคืนกลับไปอ <c oughs> <c oughs> นี่คือวิธีแก้ความผูกพัน ก็จากความหลงที่ไปคิดว่าเป็นเป็นตัวเราของเราร่างกายนี้เราก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็รักเราก็หโหยมันเพราะมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ทุกข์เพราะทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันเป็นเพราะมันแก่ก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันแก่เพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เพราะเราอยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อจะตายก็ทุกข์เพราะไม่อยากตาย ร่างกายคนอื่นเราไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมร่างกายคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเขาไม่เราก็เฉยได้เพราะเราไม่มีความผูกพันเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ร่างการนี้ความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่มานได้อย่างเราต้องใช้ใจรักมาค่อยสอนใจเป็นอนนี้จังไม่เทีย่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นทัอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ ถ้ายังทุกข์อยู่กแสดงว่าเรายังไม่มีกําลังปล่อยความปล่อยความอยากปล่อยอุปทานก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มีอุเบกขาให้ได้ถ้าจิตเข้าสมาธิดาาได้ในอุเบกขาได้ก็ปล่อยได้ปัญญาขางเรามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิที่ส่งเสริมปัญญาให้กลายเป็นภาวนาเมย์ปัญญาอันนี้ปัญญาของเราเป็นสุดะคือได้ยินได้ฟัง ไ ด, ไดไ้เลียนเรียกสุดตปาปัญญาปัญญาแล้วก็มาคิดอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าจินตามายาปัญญาคิดเพื่อไม่ให้ลืมแต่มางทีก็ไม่ได้คิดกันเรียบพอฟังเทศเร็จก็ลืมไปละฟ้าเทศอะไรบ้างกลับไปคิดแต่เรื่องหาเงินหาทองหากินหาอยู่ไป <c oughs> ต่อมาคิดบ่อยๆว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาข้ามันไม่ได้ขอมันไม่ได้ นั่นจะขอให้ธาตุขันอยู่เป็นนานๆขอได้ที่ไหนเรบขอได้ครับ ไ, ไม่ต้องไม่ก็ไม่มีใครตา ย, ยในโลกนี้ใช่ไหมแต่ก็ยังขออยู่นั่นนะนะเราไม่เคยขอให้ใครอยู่เป็นนานๆเลแต่เวลาให้พรก็ให้เขาก็ก็ให้เขาไปว่าขออยู่เป็นนานๆอยู่ให้เกินร้อยปีแต่จะอยู่ได้ไม่ได้เกีย่ยวกับมึงนะ <c oughs> แก่ความผูกพันด้วยการใช้ปัญญาให้เห็นตายลับอย่างนม่จังไม่เที่ยงและหน้าตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของกายเป็นของธรรมชาติถ้าไปอยากให้อยู่ย่อมยืนตลอดไปก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลามันเปิดไปไม่ได้เวลาไม่เกิดความเสื่อมการดับไปนี่คือแรื่องการมาปฏิบัติตนี่ก็ปฏิบัติแค่นี้แหละปฏิบัติสอนใจให้เห็นตายลับตลอดเวลาในทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็ให้ปล่อยให้ได้จะปล่อยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สมาธินี่แหละถ้ามีสมาธิก็ปล่อยได้ไม่มีสมาธิถึงแม้นจะรู้ด้วยปัญญาก็ปล่อยไม่ได้ไม่มีกําลังสู้กิเลสไม่ได้สู้ประทานไม่ได้สู้ความยึดติดไม่ได้สู้ความห่วงความผูกพันไม่ได้อนี่นัานไม่ถึงถึงการท่าทาาจากกันอยู่เรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงความตายเนี่ย แล้มีความตายเป็นธรรมดามีการท้ทาทายการเป็นธรรมดาโลกมนุนสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้อันนี้เป็นการเจริญจิตตาเมตตาปัญญาไม่ให้เบียแล้วก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตเข้าเข้าสมาธิให้ได้เป็นอุเบกขาพออุเบกขาลนะ้วมันจะวางเฉยได้ปล่อยวางได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาปล่อยวางไม่ได้ปัญหาอุปทานมันจะเข้ามาทานันที มาฝึกสองอย่างเนี่ยฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้อุเบกขาแล้วก็พิจารณาตายรากักอยู่เนี่เมียวทั้งสองอย่างถ้าได้สองอย่างครบบริบูรณ์ก็ปล่อยวางได้หมดไม่ทุกข์กับอะไรเนะข้าใจนะรครับเ ข, <อ>บข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยครับพระอาจารย์จะน้อมนำไปปฏิบัติครับคลับไปบอคุณใาญ่สูงครับคุณ p h โฟนสาธกา เห็นการเป็นตายรักหรือยังยังเป็นจจขขนิตย์จางศุกลางนาตายอยู่เออมายรักแล้วค่ะเนี่ยเป็น น, ขขนิตย์จางศกกลางนาตานะเนอะวันนั้นวันนี้นเขาเข้ามาเขาบอกว่าเออฉันเห็นเขาออกไปเนอกบ้านแล้วเขากลับมาเขาบอกเขาเห็นสัตย์จะทำละบอกอ่นเรื่องอะไรล่ะก็ที่เธอบอกเวลาเธอพันนั่งตรงเนี้ย เออที่ฉันชอบเซลเธอแหย่เธออะว่าเธอเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคุยกับคนไข้แล้วคนคนไข้ก็คือคุยธรรมดาเนี่แหละปะา้าจ่าพอเราพอเราฝึกมากๆมันจะนิ่งขึ้นมันจะเย็นขึ้นแล้วทีเนี้ยพอเสร็จเขาก็วันนั้นเขาเขาเขาคุยเขาเป็นโรคที่ว่าไม่ชอบคนเสียงดังนะคะ่ะอาจารย์แต่รูกคนเสียงดังแล้วทีเนี้ยเขาคุยกับคนไข้ เออยายเขาแก่แล้วเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็คุยแบบยายเ้าก็พูดกับคนแก่ที่เขาเสียงดังอ่ะเขาอุบอุบอันนี้ก็ยายบอกเธอเธออย่าไปทะเลาะเขาเขาแก่แล้วเธอถมีทะเลาะทําไมแล้วทีเนี้ยเขาไปหาเพื่อนเขาเขาก็บอกว่าเขาเห็นซาจัดทำที่ว่าลูกบอกว่าเออพี่ต้องไปทะเลาะไปยุ่งอะไรกับใครอ่ะเรามีหุกกับเราดีกว่า เขาก็เลยบอกเออแบบที่เธอพูดแตามันก็จริงแล้วที่คนไข้คุยกับเธออะไรอย่างเงี้ยพอมาคนไข้ก็จะถามหาลูกแต่ลูกก็จะอยู่แต่ข้างใน mm hmm. เออเขาก็เพราะปกติครับลูกก็จะใช้ระบบแบบที่พระอาจารย์สอนนะคะ mm hmm. ก็คือเราสมมุติว่าเราอย่างเงี้ยเราก็คือเหมือนที่บอกพระอาจารย์คือเราเบิดล้าเราก็ไม่ได้แบบใหญ่โตเราเอาแค่แบบช่วยเหลือคน พอตัดงานแล้วเราเห็นคนที่เขาลำบากเนี่ยอาจย์ mm. ก็จะประมาณอย่างนี้แล้วทีเนี้ยลูกก็บอกเอาประมาณเท่านี้แต่ก่อนเขาก็คือพอออกมาเขาก็แบบเหมือนว่าทุกๆคนที่ลูกคุยด้วยอะ่ะส่วนมากเขาจะแบบเหมือนกลัวว่าต้องเก็บเงินเก็บเงินแต่ลูกก็มีความรู้สึกว่าเราอะ่ะไม่ได้มีภลรเราอยู่กันสองคนแล้วก็เราก็มีบนานาญนิดหน่อยเราก็ เบิกราชาการได้แค่นี้มันก็น่าจะพออะไรอย่างเงี้ยสำหรับแบบทั่วไปลูกก็ใช้ระบบว่าตอนแรกเลยลูกก็ใช้จะลดราคาแล้วทีเนี้ยแฟนก็บอกเธอเธอมันแบบเราไม่ได้ได้กำไรเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จเลยใช้แบบที่พระอาจารย์สอนลูกก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าถ้าไม่เจอลูกอ่ะลูกก็จะแจกของให้อะค่ะแทนการที่เราจะมาลง ทำบุญทำทานด้วยได้บุญไ ด, ได้บุญมีราคาหวาได้เงินทองใช่แล้วลูกก็ถ้าสมมุติว่าอย่างโรงเรียนไหนอะค่ะถ้าเขามาแบบเหมือนอาจารย์เขามาซื้อของให้กับเอาไปที่โรงเรียนนะคะไปห้องทา<ม>งการแพทย์ห้องรักษาพยาบาลใช่ลูกลลก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นเลยไม่ไม่ไม่ได้ลดลูกให้หมกเลยได้มาเไยทำบุญมาเลยอันดีก็คือไม่ต้องมาให้ก็คือให้หมด แล้วก็ <Ừ. S 1> แถวนี้ก็คือเราก็ไอ้ส่วนที่แบบอันเนี้ยเราก็ไปทำบุญกับพวกโรงเรียนที่ยากจนนะคะจันตอนก็มีมีข่าวมีหมอเปิดกิหนหนึ่งบาทนันเอเปิดให้คนมารักษาแค่บาทเดียว <c oughs> แล้วแล้วพอเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆ <c oughs> มันมีความเย็นขึ้นอยา่างพ่อลูกเนี้ยแต่ก่อนเขาไม่ค่อยสนใจ พอตอนหลังน้องไปกลับบ้านไปเขาก็จะบอกว่าตาปาเขาก็จะสวดมนต์แล้วก็น้องคุณเล็กอ่ะคะ่ะเขาก็ยังไปใส่บาตรพระจารย์เลยเขามาสองรอบเออเขาบินมาเอ๊ะนั่งเครื่องมาจากเชียงใหม่อะคะ่ะลูกก็บอกว่ารีบรีบ้านนะรีบรีบมานะานะเพราะว่าพระอาจารย์อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาได้ความอิ่มเอ็นใจไปแล้วลูกก็บอกว่า ให้นั่งสมาธิเพราะว่าเจอพระอาจารย์ถ้าคนที่นั่งสมาธิเรื่อยๆมันจะมีความเย็นความนิ่งปะ่ะเหมือนอยั่างแบบะอาจารย์ที่ลูกเห็นตอนแรกๆเลยครั้งแรกที่ไปเจออะค่ะมันจะรู้สึกมันเย็นมันมันสงบมันเย็นบอกไม่ถูกค่ะอาจารย์ประมาณดี่าค่ะโอเคนะ <c oughs> อตาดู <c oughs> คุณยศสวัสดีค่ะ ยังไม่เปิดบานบานแล้ว ก, สส ก, การนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ซาโครากำลังเบ็กบานเลยนะพยายามทำให้ชีวิตสดใสค่ะวันนี้คุณดิสยาโคล่านะคะพระอาจารย์ ม, มีนักเรียนฝากลาหนึ่งคนค่ะค่ะก็ของหนูไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าจะมีก็นึกได้ที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นไตรักอะคะ่ะทุกอย่างเป็นไตรักแล้วก็ ล่าสุดมันจะมีคนที่นําคําสอนของพระอาจารย์มาทําเป็นภาพบนเฟซบุ๊กอะค่ะแบบเป็นคําสอนสั้นๆที่พระอาจารย์เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมีพระอาจารย์สอนมาแม้กระทั่งคนรักของเราอ่ะวันเนี้ยเขาวันหนึ่งเขาก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรืออาจจะแบบไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็เอาไว้ในใจเราพอดีมันก็มีเหตุจริงๆค่ะมีเหตุให้ขัดใจนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ เราก็พยายามที่จะเอาคําสอนพระอาจารย์มาบอกกับตัวเองไม่ให้ให้มองเขาเป็นไตลักษณะคะ่ะพรอาจารย์ว่าควบคุมไม่ได้บางทีเขาก็อาจจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างนะะี้ค่ะพรอาจารย์ก็ทําให้มันสงบนะคะหมายถึงใจเราสงบเองไม่ได้อยากจะไปให้เขาเป็นอะไรก็คือปล่อยเขาเป็นเปอย่างเขาจะเป็นนะคะพรอาจารย์ก็ก็<ด>ช่วยได้เยอ ะ, ะคระาอาจารย์ค่ะ ก็เหมือนจำดินฟ้าอากาศนะห้ามไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกคนก็เหมือนกันแเราไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นแเราคิดว่าเขาต้องเป็นเหมือนพระพุทธรูปเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นคือ <c> ค <oughs> ือมันมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดยเองค่ะพอาจารย์กําลังคุยคุยกันอยู่แล้วเหมือนกับสมาธิเขาแค่หลุดไปแล้วเขาก็ไปยิ้มกับอีกเรื่องหนึ่งพอหนูถามมันก็เรื่องขำสัมซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังคุยอย่างเงี้ย <c oughs> แค่นั้นเองค่ะอาจารย์มัน นิดเดียวอืแต่าอารมณ์นั้นคือเราพูดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียอารมณ์ไปเลยค่ะก็เลยไม่คุยละรีบวางแล้วก็พยายามจะมาพอมันฟุ้งขึ้นมาตำหนิเขาก็จะพูดโทนหนีอาจารย์พูดโทนหนีพูดโทนหนีก็ได้ผลค่ะแล้วพอตอนเช้ามันก็ยังตึงๆก็เลยนึถึงคําสอนตรงนั้นนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ถือสาดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่ไ ม, ไม่ถือสาอะไรแล้วก็เราเองก็ยังไม่เข้ารูป พออยู่กับร้องกับรอยสะทุกครั้งไปเหมือนกัน<ช>ก็ทํามันสบายใจครับอาจารย์ความอย่างของเราทําให้ใจเราไม่ไม่ไม่พอใจให้ค่ะหนูก็เอาไปใช้นิดที่ทํางานด้วยค่ะพระอาจารย์เวลาเจอคนตั้งใจแสะเราหรือตั้งใจทําให้เราไม่มีความสุ ข, ขอะค่ะคือเราก็จะดูรู้อแล้วปล่อยเข้าไปเราห้ามเขาไม่ได้ อ า, าจารย์ถ้าเป็นตะก่อนใจมันร้อนค่ะอาจารย์แบบเราไปทําอะไรที่เขาเนี่ยต้องซื้อต้องซื้อต้องคือคือมันจะเป็นความรู้สึกว่าคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าทํางานดีจะคนอื่นดูได้หนูก็เอา้าเราจะให้หนูทําตรงง่ายๆเพื่อจะอยู่กับทุกคนได้อย่างเนี้หรอคะมันแล้วมันใช่วิธีนี้ที่คนทํางานมันควรจะทําหรอแต่ตอนนี้ก็เป็นค่าเดฟอลท์เขาเวลาครัอาจารย์เป็นค่ า, า, า, า, าแบบ เออเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ผู้ให้เสียเวลาลวขาองเราค่พระาจารย์ก็เลยเฉยไว้ดีที่สุดโอเคค่ะฝากแต่วรู้ค่ะพระาจารย์ก็ดีใจถ้าเห็นใจรักก็จะเฉยได้ไปอากับดินน้ำลงไปเอาอกับธรรมชาติบางวันฝนก็ตกบางวันแดก็ออก คนงับเหมือนกันบางวันงัพูดดีบางวันงัพูดไม่ดีค่ะมยังสึดไปเรื่อยๆนึกถึงใจรักบ่อยๆอนัตตาบ่อยๆไม่มีไม่มีอะไรที่เราควบคุมบังคับได้สั่งได้เสมอไปค่ะครอาจารย์โอเคมมีอะไรไหม ไม่มีค่ะแค่ดีใจที่ได้มาเจอพระอาจารย์เฉยๆค่ะแต่ก็ไม่อยากขอให้พระทิ้งขึ้นทางตะวันตกค่ะแต่ก็คาดหวังก็ทําตัวเองให้ให้ดีระหว่างที่พระอาจารย์ยังเป็นอาจารย์อยู่ค่ะอืมไม่ทำเต็มที่ตอนนี้มีโอกาสนะค่ะ ข, <Okay. S 2> ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ดูคุณนิสา LA. เอาเองไปไงไปถึงไหนแล้ว ย, ยังยังไม่อยู่เปล่าเลยสงบตัวนะ าการนมำสั ก, การค่ะพระอาจารย์ก็ดีขึ้นแล้วนะคะพวกเมื่อเมื่อวานเมื่ อ, อคืนก่อนนอนก็ดูข่าวก็ยังมีไหมนิดหน่อยอะคะ่ะทางไปปรับสปริงอะค่ะพระอาจารย์ก็คงแบบตามเห็นเมื่อสองสมวันที่คืดฟิตพาก็มีไหมอะค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ว่ามัน ตั้งนั่งทงไว้ป้องกันตรงนั้นใช่ค่ะเขาเขาเขาเขาป้องกันไว้ทุกจุดนะคะ<ม>ที่คิดว่าจะจะจะแบบแห้งจะไหม้จะแบบมีลมอะไรนะคะพระอาจารย์<ม>แต่อาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาลมมันไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนบีกที่ที่ไหม้หนักๆค่ะพระอาจารย์ก็ดีขึ้น<ม>ค่ะก็อากาศก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะพระอาจารย์ก<ม>็<ม>เราเคยทํางานที่กรีส์พาที่กรีฟส์เทเตอร์ อ๋อที่อ๋อใช่ค่ะอาจารย์มีนองละครนงคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะมีมีรูทอ่ะก็ตรงเนี้แต่แต่บอกว่าตรงทิกติกพากเห็นเขาบอกว่ามันมีคนไปจุดนะคะอาจารย์ราารยใช่ค่ะมันจะดรู้สึกเยอะอะค่ะอาจารย์ตามจุดต่างๆที่ไม่บางทีอาจจะบอกเป็นคนไปจุดด้วยอะไรเงี้ยด้่ะอาจารคนหาเรี่ยวค่ะอาจารย์เฮ้ยคนเพียนๆเยอะค่ะอาจารย์ ค่ะก็อาทิตย์นี้ลูกก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์สงบในสมาธิดีค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็มีบ้างนิดหน่อยที่แบบพอแบบออกจากสมาธิมันก็มีแบบเบื่อเบื่อบ้างนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เ <laughs> บื่อเบื่อว่าแบบเออเธอเราเกิดมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่ไม่ได้แบบเบื่อแบบว่าแบบนี่แบบ ก็แค่นิดนึงอ่ะค่ะอาจารย์ก็พอตัดสติไม่ทันปล่อยให้นิเลสมันคิดขึ้นมาค่ะอาจารย์สงสัยจะว่างค่ะอาจารย์ก็เลยฟุ้งซ่านไปนิดนึงค่ะอาจารย์แต่ก็ก็ไม่ได้ถูกก็นิดนึงค่ะแล้วก็เกิดคิดพุทโธพุทโธไปก็ช่วยได้เยอะค่ะมัติกค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออสมาธิเราอยู่ทําไมเราแบบต้องนึกถึงเวลาที่เรามีความสงบอยู่ในสมาธิเรามัน มันมีความสุขแพราบอกมันพอมันออกมาแล้วเหมือนไม่อยากจะออกมันไม่อยากจะออกมาเจอโลกข้างนอกค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ก็ไม่ได้แบบว่าสุขแบบมากมาแต่มันแค่สมันรู้สึกสงบเลยก็ไม่ได้ติ่งจนค่ะแต่มันมันมันสบายมันสงบแบบแต่แบบพอถึงเวลามันมันจําเป็นต้องออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องมาแบบมาอยู่แบบในโลก โลกของความเป็นจริงที่แบบว่าก็เลยรีบหยุดความคิดนั้นทันทีว่าอย่าไปคิดกังแตค่ะค่ะอาจารแล้วก็บอกบางทีก็ปร บ, บปรุงคุยกับตัวเองว่าเอเคเราต้องดูแรลร่างกายเรานะ<ม>เราต้องอะไรเงี้ยบางทีมันมันมีสุขคิดนิดนิดนึงค่ะวาจารย์เราแบบฉันเบื่อร่างกายอะไรเงี้ยที่แบบ<ม>ต้องมาคอยต้องไปซื้อต้องทําหุงหาอาหารดูแรลร่างกายอะไรเงี้ยค่ะดูแลคนรอบข้างอะไรเงี้ย ก็มีบางค่ะอาจารย์อันนี้เป็นฝุงฟ่านใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็ดีถ้าเราคิดทางปัญญาเป็นกระบอ ก, ก็ดีเราเบื่อจะได้ค่ะแล้ว ไ, ไม่กลับมาเกิดเลยที่เราปรมาปฏิบัติใี่ก็เพื่อหยุดการเกิดค่ะอาจารย์คิดคิดเสมอค่ะเรื่องว่ า, าไม่อยากเกิดในทางบวกคิดไปในทางบวกค่ะคิดคิดมาต้องนานมากๆแล้วค่ะคือบอกมันอยู่ในในฝังอยู่ในใจแต่ว่า สมัยก่อนยังมีความหลงไม่เข้าใจคิดว่าแบบคือชอบขอว่าจะไม่เกิดจะไม่เกิดแต่แบบคือแต่ก่อนก็คิดว่าเออขอแล้วมันจะได้อย่างเงี้ยหัวใจคือแบบไม่คิดว่าแบบจะต้องบแบบต้องทำใช่ค่ะเพิ่งเ พ, พิ่งแบบเข้าใจอะไรเงรี้ยค่ะเพื่อแบบตอนที่เราได้เข้ามาในปฏิบัติจริงๆก็เข้าใจว่าเออมันไม่ง่ายอย่างเงี้ยเราต้องปฏิบัติตอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณร่างกายตอนนี้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติ ค ja. ่ะอาจารย์การดูแลร่างกายดีตอนนี้ดูแลเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ดูแลเพื่อหาความสุขจากลาบยศสระเสริญค่ะอาจารย์ก็คิดแบงเนี้ยค่ะอาจารย์ก็แบบรู้สึกว่าเออก็สบายใจอยู่ต่อไปได้ใช่ใช่ค่ะค่ะก็พยายามคิดว่าแบบเออเราก็ต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนที่เราเปเหมือนถูกแจ็คพอร์ตนะถูกพาวเวอร์บอลใช่ไหเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพัตถุศาสนาเนี่ย รีไปขึ้นรางวัลใช่รีบไปขึ้นรางวัลนะค่ะพระอาจารย์ขึ้นรางวัลด้วยการปฏิบัติธรรมะค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่มีร่างกายของมนุษย์ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีวันที่จะปฏิบัติธรรมได้ค่ะพระอาจารย์อโอเคนะ<อ> <ไป S 1> จะได้ก็จะได้ขอบคุณว่าชาติที่เกิดมาเรามีร่างกายนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วยิ่งได้มาเจอพระพุทธศาสนาด้วยก็ถ้าวัดถูกแยกพอนไดย อืมค่ะอาจารย์ก็จะคิดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วมันจะไม่เบื่อกับการมีชีวิตอยู่อก็อจะเห็นว่าชีวิตเนาไม่มีคุณค่ามากมต้องรักษามันให้ดีแต่ไม่รักษาแบบกิเลสรักษาแบบเพื่อเอามาใช้เพื่อการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางแต่ไม่ทุกกบร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็เรายอมรับกับความเป็นจริงไป แต่ถ้ามันยังไม่เป็นอะไรก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดให้ได้ค่ะพระอาจารย์น้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เออยากจะขอแต่ไม่ขออะ้รขอทุกวันนขอให้ขอให้พระอาจารย์มีความสุขค่ะอาจารย์ไม่ต้องขออะไรตัวใครตัวมันใครต้องทําค่ะพระอาจารย์ขอไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ทราบค่ะแต่ก็ หนูเอาเอาไปไว้อยู่ในใจแล้วกันค่ะะอาจารย์ไม่มีก า, ารขอาศาสนาพูดไม่ได้สอนให้ขอสารสอนให้ทำาศาสนธรรมนะค่ะอาจารย์ค่ะน้อมนําปฏิบัติบูชาค่ะอ า, าจารย์สาธุขอให้อยู่ด้ปฏิบัติบูชาดีกว่าอันนี้จะฟังแล้จะมีความสุขกว่าค่ะอาจารย์ค่ะขอปฏิบัติไปจนก่อนจะหมดลมหายใจอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้รับฟังแล้วมันชื่นใจ่ะ ขอขอปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ขอให้เขาจะปฏิบัติจนปมดลมหายใจสาวพระอาจารย์อมีสาธุสาธุคุณงานปฏิบัติไหมปฏิบัติบูชาไหมปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะปฏิบัติตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะการบวชสการค่ะพระอาจารย์รู้ไปดีคําถามจ้าค่ะมีสติตลอดเวลานะเจ้าค่ะมีสติตลอดค่ะอยู่ในปัจจุบัน นะคะรู error, no. okay. ้เท่าทันละค่ะเดือนนี้แต่ก็หนักหนามานานแล้วค่ะตอนนี้รู้ทันแล้วก็สบายเลยค่ะเป็นใจแล้วก็นะค่ะรู้ระวังรู้ระวังแล้วค่ะอาจารยะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์อสันนี้แบงค์กรับจันิมัสการค่ะพระอาจารย์อาจารย์หนูคิดว่าหนูถูกแจ็คพอตสามชั้นเลยค่ะ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาพบพระอาจารย์ค่ะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเป็นชั้นทั้งสีอง่อันด้วยอันที่สี อ, นอันที่สี่อันที่สีก่กำลังพยายามค่ ะ, ะอาจารย์มันมีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ น, นี่ก็เป็นจกักรฐานที่สําคัญถ้าเจอศาสนาพูดแล้วไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ไปขึ้นไม่ได้ไปขึ้นรางวัลกําลังคานไปขึ้นรางวัลค่ ะ, ะอาจารย์ <laughs> พยายามทางไปอยู่อต้องรีบญญญ ข, ขึ้นทางด่วนเลยต้องเร่งขึ้นทางด่ด <c oughs> งวนค่ะอาจารย์<ป>วันนี้ ไ, <ป S 2> ไบวช <c oughs> ไปบวชอะไเนี่ยขึ้นทางด่วนก็ไปบวช <c oughs> อยากอยู่ค่ะพอ า, าจารย์จะยังไปไม่ได้ค่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะต้องตั้งเป้าหมายไว้เลต้องตั้งเป้าว่าต้องรีบไปขึ้นขึ้นรางวัล น, นะเพราะเวลาเรามันไม่รู้จะหมดเมื่ อ, อไหร่ ถ้าขับรถไปตามสบายต้ทางเดินมันอาจจะไปไม่ทันแต่พระอาจารย์จะทําให้ดีที่สุดค่ะจนกว่าจะหมดชีวิตนี้เลยค่ะอ่าถ้าดูอ่าคุณคุณใต้คุณนัดมันก่อนมีเพื่อนมาฟางเทศต่างๆก็เล่าให้ฟังว่ากลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะพึ่งขึ้นไปเพิ่งไปมาเมื่อวันเสาร์กลับพระอาจารย์มาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ แตเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้มึ่อเห็นมีเพื่อนเขาบอกเขารู้จักพี่ป้าคนนั้นเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพแล้วทั้งพี่ทองเข้ามาด้วยกันอ๋อครับเดี๋ยวต้องถ้าเดี๋ยต้องไปดูกันครับอาจจะอาจจะทํางานที่เดียวกันหรืออะไรอย่างนี้ครับผมครับอาจารย์เขาเขาหนูก็ปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีธรรมะที่พระอาจารย์ช่วยสอนให้มองอะไรก็นึกถึงไปรลักก็ทําอย่างนั้นก็ทําให้แบบเวลาเจออะไรในระหว่างวันก็คือลงได้เร็วค่ะพระอาจารย์ ค่ะก็ก็จะฝึกเจริญสติให้เท่าทันให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ให้ให้ได้ปัญญาให้ปัญญาครับอุตส่าห์ได้โอกาสแล้วก็ได้มาได้ได้มีอาจารย์นำทางค่ะจะใช้โอกาสนี้ให้ให้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะครับของผมก็พยายามเดี๋ยวพยายามต่อไปครับยังําน้อยครับก็เข้ามาก็ทายน้องๆในห้องเหมือนกันครับเด็กๆครับ อย่ามอย่ามื่อต่ไปหาไส้เดือนนะอย่าอย่ียิดเพ็ดพอยทิ้งไปนะครับผมครับเงินทองนี่เหมือนไส้เดือนนะอย่าเพ็ดพอยนี่มันเหมือนธรรมะนี่เหมือนเพ็ดพอยครับค่ะใช่ค่ะรำคาค่ะอืตั้งแต่มีธรรมาก็ชีวิตก็คือคือสงบดีค่ะพ้าอาจารย์ค่ะเรียนเบาลงเบาลงใช่ค่ะพ้าอาจารย์ทำประโยชน์อะไรได้มากขึ้นะ โอเคดีอยากเจริญสติระหว่างวันให้มากขึ้นคร่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะคร่ะคุณพีเคคุณโอน้องสาวนรรสนะคะอาจารย์ของหนูที่นี้ไม่มีคําถามจ้าค่ะท่านเราลองรับฟังจันโอเคเดีนไปที่คุณทิตีมาต่อคะแต่นรรสนะคะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะ ยอดคนเข้ามาประเทศได้มาเที่ยวปีที่แล้วเยอะไหมอ่าเที่ยกับปีที่แล้วตอนนี้เยอะเยอะกว่าเยอะแล้วค่ะอะ า, าจารย์นะใช่ค่ ะ, ะล่าสุดก็มีค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นมาก็ปวดหัวอยู่ค่ะอ๋อค่ะอาจารย์ก็ต้องมีอภัยมาบ้างนะใช่ค่ะพอฟรีวีซก็เล็ะเลยค่ะค่ะอาจารย์โอเ ค, าาคาาไม่มีอะไรนะไม่มีคําถามค่ะอาจารย์คุณหมอภาสนา ก่อนหน้ามรสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยค่ะคระอาจารย์เช่นจริงๆตอนนี้จะพาคุณพ่อไปทําบุญก็ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกน้องบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปดีกว่าแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกว่าเอ้ยก็องถามคุณพ่อดีกว่าเพราะว่าแล้วแต่อยากให้ท่านใจสว่างพอถามคุณพ่อก็อยากไปเลยเพราะว่าเหมือนกับอยากไปทําบุญนะคะแล้วมันดูทิศใจตัวเองก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนแหะเวลาวางแผอะไรไว้อ่ะแล้วไม่ได้ทําเนี้ยมันจะรู้สึกแต่ว่าตอนเนี้ย คือไม่รู้สึกอะไรเลยพอน้องบอกก็บอกถามคุณพ่อถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรไปก็ดีไม่ไปก็ดีคือทําใจได้นะอาจารย์แต่พอพาคุณพ่อไปก็รู้สึกดีมากเลยแล้วคุณพ่อรู้สึกสดชื่อแล้วดีแล้วก็มันเหมือนได้ฟังเทศจากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ด้วยนะคะพระอาจารย์ที่สาวน้อยอันเทศให้ฟังเพ่อ ก, ก็ก็โอเคเลยเทศเป็นชั่วโมงเลยก็ทําให้คุณพ่อรู้สึกรู้สึกว่ามันปล่อยวางได้แล้วระดับหนึ่งนะพระอาจารย์แล้วพอกลับมาก็ปรากฏว่าพี่สาวเสีย อาทิตย์อาทิตย์วันวัจานทร์มั้งอายุเก้าสิบสามะค่ะก็คุยก็เลยบอกเอ้ยคุณพ่ออย่าลืมนะป้านายไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะแค่ร่างกายมันหายคุณพ่อก็แบกเออนึกขึ้นมาได้ก็คุณพ่อก็ไม่ได้ไม่ก็วางได้ค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าอ่าทีที่แล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วที่ฟังพระอาจารย์เทพวันนังคาร์่ะตอนแรกพระอาจารย์เทพว่าไม่ไปนู่นนี่แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากไปนะพระอาจารย์เพราะคิดตามพระอาจารย์เทพอ่ะก็รู้สึกว่าเราทําหน้าที่คือ คือเราตั้งใจจะพาคุณพ่อไปให้แบบทำบุญแล้วก็เพื่อได้ฟังธรรมมากขึ้นและจะได้ประทานมาปฏิบัติเลยนะค่ะอาจารย์ก็ไม่ถือเป็นกิเลสถูกไหมคะเพราะว่าเพราะจะเห็นวันไี่อยากไปอยากปฏิบัติเพอาจารย์เทศน์ลังคาเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ว่าใครเป็นเจาะจงตัวเอปพิจารณาองไรกันผมผ่านพูดก็พิจารณาเลยอาจารย์ก็แต่ว่าไม่ได้อยากไปเที่ยวนะอาจารย์อยากไปปฏิบัติทําดยบาคุณพ่อที่เป็นอาญาในบ้านไป ก็คิดว you know ่าไม่น่าเป็นก anyway, be ิเลสนะว่าอาจารย์เไม่ได้ทำด้วยตัวเองถ้าแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปทําบุญไงทําทานแทนแทนที่จะไปภาวนาเขาไปทําทานแทนอ๋อค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอาทิตย์หน้าพาคุณพ่อไปที่เชียงใหม่ไปหาลูกชายเสร็จเราก็จะไปปฏิบัติธรรมแลคะอาจารย์ก็คุยกี๊ที่ว่าจะไปที่ถ้ำเส่าเลยค่ะพระอาจารย์ก็จะไปรู้ว่าการทําทานกับการทภาวนาของเราอะไรมากกว่ากัน ภาวนาไปด้วยค่ะพระอาจารย์เวลาไปไหนเอาคุณพ่อนี่คือปฏิบัติทําตลอดนะพระอาจารย์รูฝึกสติมัม น, ไ ม, มนไม่เหมือนกับไปคนเดียวใช่ใช่เพราะมันต้องเอาใจต้องให้ให้แบบอ่าใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็รู้สึกว่าเป็นการทําหน้าที่ที่แบบตัวเองก็รู้สึกดีมากเลยนะมันทําให้ไม่เหมือนแบบเหมือนกับได้ดูแลคุณพ่อเหมือนตอนที่เด็กๆที่คุณพ่อดูแลเราอะต้องขอบคุณคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะทําให้เราแบบ มันเหมือยมันมันไม่ได้มีอารมณ์เลยนะพระอาจารย์เพราะคุณพ่อก็เจอค่อนข้างหลงอนะไรเงย่ะก็รู้สึกดีอะค่ะพระอาจารย์ต้องขอบคุณพระอาจารย์ก็ปฏิบัติด้วยขอของตัวเองก็ปฏิบัติก็ไม่ได้ว่าใครเป็นแล้วแต่คนต้องออกมาพิจารณาสถานภาพของตนเองว่าตอนนี้ต้องทําอะไรที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นอันนี้ไม่ได้ว่านแะล้วแต่าจะแล้วแต่จะเลือกทางว่าจะเอาทางไหนเอาประโยชนท์ทางไหน ประโยชน์ของพ่อก่อนก็ประโยชน์ของเราก่อนถ้าอย่างประโยชน์ของพ่อก่อนก็ก็ต้องดูแลพ่อไปถ้าอยางประโยชน์ของเราก่อนก็ต้องปล่อยพ่อไปตามบุญตามกรรมไปอืมอันนี้ต้องค่อยค่อยๆปล่อยนะพระอาจารย์คือก็บอกคุณพ่อว่าเนี่ยเราต้องเราขอเวลาของเราด้วยคุณพ่อก็ยอมรับนะพระอาจารย์เพราะมีน้องอีกสองคนแต่แต่แต่ว่าคือน้องเขายังทํางานอยู่นะพระอาจารย์ ต่คุณ พ, าพา่อก็ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง น, นะครับอาจารย์ก<อ>็เข้าใจที่อาจารย์พูดก็คือตั้งใจเพราะต้องการที่จะทําให้มันมากที่สุดในชาตินี้เลยมรับอาจารย <laughs> ์ก็พูดแบบกลางๆพเจ้าสอนให้เรายังประโยชน์ตนและผู้อ <c oughs> ื่นก่อนเออทั้งหมดประโยชน์ตนก่อนแล้วค่อยพระพุทธเจ้าก็แสดงตลาราชสมบัติมาอยู่6ปีไม่ยุงย่งกับใครพอเสร็จแล้วถึงค่อยมาช่วยคนอื่นช่วยพ่อช่วยแม่ช่วย ใช่ลูกใช่อะไรให้เขาได้ไปต่ออือันนี้ก็เป็นแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดจอดจงว่าใครเป็นเป็นกรณีพิเศษนะดันั้นคุณมอไม่ต้องไปกังวลเมือม่อเมือ่อยกประเด็นขึ้นมาก็เลยต้องพูดให้ฟังให้เข้าใจนึ่ก็ถูกทั้งสองอทางทั้งประโยชน์น้อยทั้งประโยชน์มากทำ ม, มือทำทางา น, น, นั่นแหละเป็นประโยชน์นั อาวนาก็เป็นประโยชน์แต่ประโยชน์มันตะมันต่างกันผลงับมันต่างกันนั่นเองเขาใจค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะก็เล่งเล่งความเพียรพระอาจารย์เพราะตัวเองก็คือคือแบบตั้งใจแล้วค่ะพระอาจารย์ตั้งใจมั่นก็ไม่ไม่ไม่ท้อถอยพระอาจารย์ทำทำแล้วสองอย่างเหมือนแรงเยอะขึ้นแรงไเยอะมากเลยค่ะอาจารย์สายทิพย์เชิญ ตอนนี้อยู่น้องขายอ้อ ย, อ, นนย <c oughs> อยู่ขอนแก่นเดิมอยู่ย <c oughs> ขอนแกนน่นค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่ในจังหวัดในตัวจังหวัดใดเลยเนื้อยอะ <c oughs> อยู่นอกเขตเทศบาล น, นิดนึงค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ออกมานิดนึงค่ะที่นั่นในขอนแก่นมันี้มีบึงแก่นนครใช่้หมมีเบิ้ง <c oughs> แกนง่นนครค่ะใหญ่ไหมหนูก็อยู่ห่างจากบึงประมาณอาจจะสิบกว่ากิโลค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่ไม่ไกลมากหนูออกนอกเมืองไม่ไม่เยอะค่ะอยู่กมอของแจนใช่ไหหนูจะอยู่คนละฝั่งหนูจะมาอีกอีกทางหนึ่งค่ะจะออกมาทางมาทางสารคามฝั่งตรงข้ามกันถ้าเป็นมอขอจะไปทางชุมแพแลวคนรัติดกันพอดีเลยค่ะหนูก็จะมาทางสารคามค่ะเข้าใจนะเข้าใจตอนนี้ก็เร่งปฏิบัติ ให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิมากขึ้นบางทีตื่นเวลานอนแล้วรู้สึกตัวก็ถามเองว่าเราง่วงไหมถ้าไม่ง่วงก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ตื่นตอนไหนก็ก็นั่งสมาธิตอนนี้นั่งสมาธิมันมันจะเป็นเหมือนมันอยากจะรวมค่ะพระอาจารย์พอมาจะรวมมันก็หลุดแต่ก่อนมันมันมันเหวี่ยงแล้วมันก็ลงตอนนี้มันเหวียงแล้วมันก็หายไปเลยเหมือนหลับถอยออกมาเลยค่ะพระอาจารย์เป็นหลายครั้งคือได้แค่เวียง แล้วก็ม่อนี้ไม่พอติยังไม่ดีใช่ไหมคะพระอาจารย์เปลี่ยงแล้วก็หลุดเลยแต่ก่อนเปลี่ยงแล้วลงตอนนี้เปลี่ยงแล้วก็เปลี่ยงหายเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นั่งสมาธิลองสู้กับเวทนาดูค่ะพระอาจารย์แผลตอนละันแรกนั่งก็นั่งแล้วมันก็แสบที่ที่เท้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดูมันไปก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันมันนั่นนานพอมันนานแล้วก็ได้ ว่ามันนานแล้วพอดีกว่ากิเลสมาค่ะพระอาจารย์ครั้งที่สองก็อีกวันหนึ่งก็นั่งก็ก็ก็ปวดแสบที่ฝ่าเท้าค่ะพระอาจารย์แสบขึ้นไปเรื่อยๆก็คิดว่าวันนี้จะสู้ให้ชนะค่ะพระอาจารย์แล้วพอมันนา น, านนามันก็ไม่ชนะสักทีกิเลสมันก็บอกว่าเออวันนี้พอก่อนแพอีก้สู้แบบไหนสู้มันต้องมีวิธีสู้เลย หนูก็พุทโธค่ะพระอาจารย์พอนแรกตอนแรกดูเฉยเฉยเหมือนไม่เดือดร้อนก็ก็เจ็บแต่ว่าไม่ไม่เดือดร้อนค่ะแต่พอมันเต็ดมากๆก็พุทโธค่ะพระอาจารย์ก็พุทโธพุทโธพุทโธโทรทิคค่ะแต่ไปไม่รอดพุทโธวันนี้ก็มันนานกิเลสมันหลอกเราว่าให้มันนานแหละเอาคนหลังแล้วกันอย่าพุทโธไปแล้อยากให้มันหายต่อมาเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการไปกําจัดมันให้มันหาย เราต้องการทําใจให้เรานิ่งไม่ให้ไปอยากให้มันหายค่ะเราอยู่กับพุโทโธเพื่อห้าม ค, ความอยากของเราไม่ใช่ไปห้ามไม่ไม่ได้ห้ามเวทนาเวทนาเราห้ามมันไม่ได้มันจะอยู่หรือมันจะไปก็เรื่องของมันค่ะ <c oughs> แต่เมื่อเราพุโทโธพุโทโธอย่าไปดูให้หายไปหรือยังหายไปหรือยังอยู่ นี่ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปไปดูความรู้สึกนั้นเลยไม่เกี่ยวกับเราไม่ทนาำไม่เกี่ยวกับเราที่เกี่ยวกับเราก็คือความอยากของเราเนี่ยที่เราต้องใช้พูดโทรหยุดมันให้ได้อืมค่ะใช่มันเราอยากใช้มันหายใช่ไหมพอเจอความเจ็บก็อยากจะให้มันหายเหมือนในใจไม่ได้อยากให้มันหายค่ะพระอาจารย์แต่มันนานเหมือนโอ๊ยนานแล้วเดี๋ยวเราต้องตื่นไปทํางานนอนดีกว่าโอ๊ยมันานแล้วนะเดี๋ยวจะ ตื่นเพราะว่าหนูตื่นมามันยังไม่เช้าค่ะพระอาจารย์เหมือนตื่นตีไหนก็ไม่ทราบค่ะแล้วรู้สึกตัวแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะไม่ได้ง่วงนี้นานเงี้ย น, นั่งสมาธิดีกว่าแต่กิเลสท่งมันลอกว่าเอ๊ะมันนานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะง่วงอะไรเงีง้ยค่ะพระอาจารย์ <laughs> แต่ในใจก็รู้อยู่ค่ะว่าพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปคิดว่าไม่ได้อยากให้มันหายค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนมันนานมันนานแล้วแล้วก็เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นอะไรเงี้ยค่ะพระอา<ๆ> <laughs> จารย์กิเลสจะต้องมาบอกว่า มันนานแล้วไม่มันไม่หายงัย้นเดี๋ยวพอก่อนเราเจอกันใหม่รอบหน้าแจอกันใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ค่ะประมาณนั้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีบางวันที่เราพอมีสมาธิมีสติฝึกสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยได้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องใครเท่าไหร่แต่จะมีแค่ความคิดเรื่องงานค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วก็บางวันเช้าๆกับบางบางวันรู้สึกว่าจิตมันมันเบิกบานนะคะพระอาจารย์ ึมันมันแบบเอ้ยทําไมมันรู้สึกกลิดมันเหมือนมันมันดิ้มอะไรเงี้ยค่ะในความรู้สึกเรามันเปลี่ยนได้มันเป็นอนิจจ์มีขึ้นมีลงอยากไปยึดไปติดเดี๋ยววันนี้มันเบิกบานเดี๋ยวพรุ่งนี้มันซึมเศร้าขึ้นมาก็จะทุกข์ใจได้ต้องยอมรับต้องคอยรับของการแปดป่วนเปลี่ยนแปลงของจิตค่ะก็คือจะเบิกบานก็ช่างมันจะไม่เบิกบานก็ช่างมันอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปอยากให้มันเบิกบานทุกวัน่ ค่ ะ, คะไม่ต้องไม่ต้องไปแบบว่าจะต้องเบิกบานตลอดน ะ, ะนคะพอมันพอมันเสื่อมเศร้าขึ้นมาเจะจะได้รู้ว่าออกมันเปลี่ยน น, นั่นนีเนี่ยอมอมันมียังมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเบิกบานทําให้มันเสื่มเศร้าอยู่อื ม, อมค่ะก็ก็ ก็ก็แล้วแต่มันอ <c oughs> ให้รู้ทันมันเป็นมันเป็นตายลแล้วรู้ว่ามันเป็นตายแล้วให้รู้เหมือนเวทนามันก็มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปค่ะก็คือไม่ต้องไปยึดกับความรู้สึกนั้นว่าเราเร า, เรามีความรู้สึกนั้นให้รู้ทันปล่ยอยวางมันจะอยู่ก็อยู่มันจะหายก็หายไม่เป็นไรอ๋อค่ะค่ะอือ ค่ะอาจ า, ารย์เข้าใจค่ะอาจ า, ารย์งั้นต่อไปก็คือมันจะสุขก็สุขมันจะไม่สุขก็ไม่สุขอืมเดี๋ยววนันนี้ทำไมวันนี้ไม่สุขเลยค่ะมันไม่เหมือนเมื่อวานนี้ก็มันเป็นอย่างเนี้มันเป็นเรืจองจังมันเป็นเน้าตาเราไปังมันไม่ได้ค่ะค่ะส่วนเรื่องสมาธิก็ฝึกสติให้มากขึ้นมันก็คงจะค่อยดีขึ้นนะคะอาจ า, ารย์สติหน้าเดี๋ยวใจก็จะนิ่งเฉยได้อืตอนนี้เหมือน สมาธิมันลงมาแค่ระดับหนึ่งค่ะอาจารย์ mm hmm. แล้วมันก็จะไปแค่ระดับนี้ไปได้ยาวๆมันไม่ลงต่อค่ะสติเราหมดกําลังที่จะให้มันลงเราคือสติให้มากก่อนนะเนาะระหว่างวันเนี่นั่งเจดินสติอยู่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเรื่องสติให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ใช้คําว่าเร่งนะคะพระอาจารย์ไม่ค่อยค่อยแล้วนะแต่ก่อนค่อยค่อยค่ะตนี้เร่งค่ะเร่งความเพียรนะเร่งความเพียรค่ะโอเคค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์สาธุอ่ากุญจุกยาโกเบนัสักการะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้อืมอาทิตย์ที่แล้ว พระอาจารย์สอนหนูเรื่องเอตุธาตุรู้อ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วหนูไปนั่งสมาธิให้เยอะๆให้ให้เยอะๆเลยหนูที่หนูเคยบอกพระอาจารย์ไะว่าเกี่ยวกับธาตรู้นี่หนูฟังพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เข้าใจเลยจนถึงตอนนี้หนูก็ยังไม่เข้าใจค่ะดีที่หนูมีหนังสือเล่มนี้ติดมาค่ะพระอาจารย์ธาตรู้กับขังห้าก็พยายามอ่านก็ไม่เข้าใจค่ะพระอาจารย์ แล้วก็นั่งสมาธิไปก็เห็นเห็นตัวเองเห็นตัวเองนะเจ้าคะเห็น<ม> <He S 2> ตัวเองว่าตัวเองไม่มีความอยากมากเลย<ม>อยากที่จะเข้าใจแต่มัน ต, ต้องเจอต้องนั่งให้มันสงบแล้วมันจะเห็นถึงจะเห็นท่านดูนั้นไปคิดจนวันตายก็ไม่สามารถจะมองเห็นมันได้นะคะอย่าไปอยากอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาหยุดคิดแล้วถึงจะเห็นเห็นตัวท่าตุดูตัวความคิดเนี่ยเป็นตัวที่บดบางตัวท่านุด้ไว้ แล้วค่ะหนูหนูนั่งจนจนจนเห็นตัวเองว่าบางทีฉันท้ากับตันหามันมีเส้นบางๆกั้นกันอยู่นี่เตียยเองจพระอายเลยเหมือนกับว่าเราเราพยายามเกินไปจนการเป็นปันหาขึ้นมาค่ะอย่าประยากทำให้เต็มที่ตามกำลังของเราง่าเท่ายับเท่านั้นค่ะ ถ้าอย่ากแล้วไม่ได้แล้วมันจะเสียใจมันะอะเหมือนกําลังใจเจ้าค่ะมันมันก็มีแวะมาบ้างนะเจ้าค่ะแบบโอ้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้แล้วก็ได้รู้แค่ไอรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ทังดับทุกก็พอแล้วอะไรอย่างนี้มันมันก็ขึ้นมาในหมันได้ไม่เป็ให้รู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นทำให้เราได้เราทุกก็พอแล้วหยุดมันให้ได้ค่ะ ไม่โตลงนี่จะรู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่สําคัญหรอกเจค่ะอืมตอนนี้ก็มีตรงเนี้เจ้าค่ะที่พยายามพยายามนั่งสมาธิให้มากๆอจะอได้ล ะ, ละตัวที่ทําให้ใจทุกข์ให้ได้ก็พอค่ะอืมคือความอยากต่างๆอยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่รพวกนี้ยอยากประหยัด ไ, ได้ไหมให้ยินดีตามมีตามเกิดได้ไหม อยากจะกินซูชิอยากจะกินนู่นกินนี่ใะเไามลอลอกินตามมีตามเกิดดูเลยเจ้าค่ะยอยกินยังกินตามความอยากอยู่ว่ะวันนี้อยากินอะไรดีเนาะอืมไม่ไม่ครัอาจารย์หนูสังเกตตัวเองนะเจ้าคะ่ะถ้าสมมตินั่งสมาธิเยอะๆอาจารย์ค่ะอาจารย์มันจะไม่หิวมันไม่อยากกินอะไรมันไม่อยากกินจนบางทีหนูยังคิดเลยอู้เป็นพระพระท่านที่ปฏิบัติปฏิบัติเบ็ดชอบเนี่ย ตอนเช้าถึงเวลาที่จะต้องฉันอาหารเนะี่ยถ้าสมมติท่านเป็นเหมือนหนูเนี่ยท่านคงจะลําบากอยู่เหมือนกันเพราะมันไม่ได้อยากกินแต่ว่าคือจําเป็นต้องกินต้องไปจำเป็นต้องฉันอย่างนี้น่าเจ้าค่ะเป็นไม่ลำบากแล้วถึงเวลาท่านก็กินได้ไม่ถึงแม้ไม่มีไม่มีความอยากก็กินได้ไม่มีความอยากก็กินได้ใช่ไหมคะมันไม่มีความเบื่ออืถึงเวลามันก็กินนะ่ร่างกายมันก็บอกว่าต้องกิ น, นก็กินให้ร่างกายไป S <S กินยาถึงเวลากินยากินยาไปถึงเวาา่าใจย์ังไม่เห็น<ม>หว่ากินไปตามความจําจเป็นของร่างกายความต้องกลายของร่างกายไปเจ้าค่ ะ, อะตอนนี้มีมีสิ่งเดียวที่หนูหนูเจอปัญหาของหนูตัวของหนูเองนะเจ้าคะก็คือหนูเวลาหนูกลัวหนูกลัวเวลามีคนมาทักทักเข้ามาหาหนูอะค่ะพระอาจารย์ อย่างตอนนี้ที่ที่หนูอยู่ญี่ปุ่นเวลาเพื่อนหนูที่เขามาเที่ยวญี่ปุ่นอะ่ะเขาทักในเมสเซจมาสวัสดีจ้าตอนนี้ฉันอยู่ญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยหนูจะไ่ไม่อยากรับไม่อยากเปิดดูเมสเซจเลยเพราะไม่เพราะมันต้องต้องมีอ่ะต้องมีที่ว่าชวนไปเจอกันอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วหนูหนูหนูลำบากใจที่จะปฏิเสธ ซ, ซึ่งซึ่งคำสอนของพระอาจารย์เคยสอนหนนะคะ ท, ที่ที่หลงตามาหาบัวท่านสอนว่าถ้าเก่งใจคนทําก็แหลกอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีเพื่อนถ้าเพื่อนไม่สนิทมากหนูหนูหนูตัดไปเลยหนูพูดกล้าพูดไปเลยแต่เพื่อนบางคนนี่คือเราเคยเรียนมาด้วยการเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นมาด้วยการเงะคะีค่ะมันก็มันก็มันก็มันก็ปฏิเสธลาบากอะพระอาจารย์เพราะเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วะคะ่ะ แต่แต่แต่หนูก็ปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าหนูไม่อยากไปไปคุยทางโลกกับเขาแล้วว่ะเขาพระอาจารย์หนูรู้สึกไม่สนุกอะค่ะพระอาจารย์อืมก็รู้สึกเราต้องเลยตัดสินใจจะไปทางไหนไงค่ะเราจะไปทางไหนไปทางโลกหรือไปทางธรรมแต่แต่มันก็มีแบบยืนมันก็มีขมุขขโมยในใจนิดนึงนะคะว่าเอออันนั้นคือกิเลสค่ะ ก, กิเลสขึ้นในใจไม่ได้ตัดหมด แล้วแต่แล้วก็แบบแต่พอเราพอปฏิเสธไปแล้วมันดีใจมากเลยนะคะมัน ม, มันเหมือนโล่งอะคะ<ล>ะ่ะพระจ่าใช่ใช่มันชนะกิเลสได้มันใจก็โล่งสงค่ะก็มีสิ่งงี้ค่ะที่ตอนนี้หนูถ้าสมมติใครทักมาในด้วยเศษนี่คือหนูไม่เข้าไปอ่านเลยอ่ยังไม่เปิดนะครับไม่เปิดจบไม่เปิดก็จบอไ ม, ม่ต้ตตองตอบไปอืม พระอาจารย์คะเมื่อกี้ที่หนูได้ฟังพระอาจารย์คุยกับกัลยาณมิตรก่อนหน้าเกี่ยวกับสินแปดสินห้าแล้วก็กุศลกรรมบทสิบกุศลกรรมบทศินี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำที่จะต้องปฏิบัติไหมคะก็เราพูดถึงไอ้วาจาวาจาเนี่ยมันถ้าเป็นกุศลกรรมมันก็มันก็มีสี่แ ไม่พูดปดรไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้ไม่พู ด, preacher, พดส่อสเสียดนยแต่สําหรับสินแปะนี่มันสินห้าเนี่ยเขาเป็นน้ำไม่พูดปดรทั้งนั้นเองเจ้าค่ะงั้นคนที่ถือสินแปะก็ยังพูดเพ้อเจ้าได้บางทีโมโหใครก็ยังดา่าได้ยังพูดคำหยาได้อยู่ไม่ไม่ถือว่าผิดสินแต่ถ้าเป็นผ้าเป็นชีนี่พูดไปได้ไม่ควรพูดเพราะมันหนักเป็นยากุศลเจ้าค่ะ ได้พอใจไหมต้องแยกแยะว่ามันเป็นสินละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเลยนะเจ้าคะออันนี้สำหรับผู้เป็นนักบวชเนี่ยท่านนักบวชต้องทําได้แต่คารวะนี้งาจจะทําไม่ได้เพราะว่ายังต้องเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายด้วยกันเนหตการณหลากหลายด้วยกันแต่นักบวชนี่ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่นักบวช ด, ด้วยกั น, นไม่มป็นความจําเป็นที่จะต้องพูดทำอย่างนี้เลย น, นี้หนูก็ยังไม่มีคําถามอะไรเพิ่มมาค่ะหนูก็พยายามปฏิบัติอยู่ค่ะอาจารย์เออเริ่มเรื่องตัวรู้ไปตัวรู้มันคิดไปจนวันตายก็ไม่มีวันเห็นหมนะันเนาะต้องหยุดคิดนะ่ะมันถึงจะเห็นได้ <Okay. S 2> นะคะต้องทำสมาธิจนจิตว่างขึ้นมาจิตแล้วว่างสงบจากความคิดแล้วก็จะเห็นตัวรู้เองเห <Okay. S 2> มือนจอทีวีเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเปิดจอทีวีอยู่เรามองไม่เห็นจอเเห็นแต่ภาพในจอให่ไหม <Okay. S 2> อยากจะดูจอไงก็จะมองไม่เห็นเนาะ เราต้องปิดปิดจอปิดปิดภาพก่อนปิดภาพทีก่อนจอปิดทีวีก่อนปิพอปิดปั๊บจอก็ภาพก็หายไปก็เหลือแต่จอจอก็วา่างๆนั่นคือจอจอก็เหมือนตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตอนนี้เราเป็นแต่ตัวคิดมันคิดอยู่เร่อยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทํำไมเรามองไม่เห็นตัวตัวจอที่ที่ความคิดมันหนึ่งปรากฏขึ้นมาคือตัวรู้เนี่ย แล้ว <Okay. S 1> พอหยุดความคิดได้อไไ่ะหายไปหมดก็ทีก็เหลืออะไรก็เหลือแต่ตั ว, ตวรู้ <Okay. S 1> ก็เหมือนกับเราปิดจอทีวีพอภาพหายไปหมดแล้วเหลืออะไรก็เหลือแต่จอว่างๆใช่ไหมแล้วค <Okay. S 1> ่ะเพงจะเห็นได้ก็ต้องต้องต้อ ง, องหยุดความคิดต้องหยุดถ้าใจายังคิดอยู่มันก็ยังมองไม่เห็นพระอาจารย์คิดว่ามันง่ายไหมคะกว่าที่จะได้เห็นนะคะก็ อ, อยู่ที่สติว่งเราถ้าสติ ความเมื่ อ, อไหร่มันก็เห็นได้ทันดีถ้าสติยังไม่พร้อมจิตก็ไม่รวมจิตก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นก็ต้องวุฒโธให้ทั้งวันเลยไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรเลยทําได้มไหล่ะทําทําอยู่จ้ะค่ะพระอาจารย์อิอ่อนหนูหนูไม่เคยปล่อยทิ้งสักคําเลยค่ะพระอาจารย์แต่ที่่ห น, นูว่าที่หนูเคยถามพระอาจารย์ว่าพระอาหารหันต์เนี่ยมีหัวใจไหมพระอาจารย์บอกว่า มีหัวใจเหมือนกันแต่ไม่มีอารมณ์หนูก็พยายามไม่มีอารมณ์นี่คือก็คงไม่มีอารมณ์รักโลกโกรธหลงอะไรย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะาก็จะพยายามก็ไม่มีกิลเลสไม่มีกิจก็คงแบบเหมือ น, น, นก็หนูก็คิดน่าสงสัยก็คงจะเป็นเหมือนกับว่าท่านเห็นแล้วก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้ไปมันหยดหน้ามัใบบัวมันไม่ซึมจับก็ไปหากันเนาะเอ๊ะรู้แบบตัวนี้คือท่าน ร, รู้รู้เปล่าคะพระอาจารย์ ก็ธาตุบริสุทธิ์เนี่ยธาตรู้ที่บริสุทธิ์าตุธานรู้ยังไม่บริส่วนมันก็มันมันมันก็จะดุจซึมข้องงหากันเห็นอะไรก็ยินดีดีใจเสียใจกันทีเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยจะเอาน้ำนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์ทาใจให้อย่าไปดีใจอย่าไปรักชังโกหลงไม่ได้มันก็จะมันก็จะเป็นเป็นท่านรู้ที่บริส่วนขึ้นมามเจ้าค่ะ อันนี้ท่านรู้ยังมีความรักชกังกลัวหลงอยู่ใช่ไหมยังรักคกนนั้นยังเกลียคนนี้อยู่ยังกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ยังหลงที่ได้นั่นเป็นเราของเราอยู่นี่มันก็มันก็เป็นท่านท่านท่านรู้ที่ไม่บริสุทธิ์ท่า ร, ารู้ของพระเจ้าไม่มีความนักชังกลัวหลงอยู่ละเห็นะไรก็เฉยไม่ได้รักไม่ได้ชังไม่ได้กลัวไม่ได้หลงกับอะไร น้องไปปฏิบัติเอาเอาสติก่อนเนี้ยก้าแรกคือเอาสติให้ได้ทั้งวันคหอมันเป็นสัมปชัญญะมันไม่เถอะเลยแล้วก็มานั่งสมาธิให้จิตรวมให้ได้ดจ้าน้อนําเอาไปปฏิบัติค่ะโอเคอาเจา้าค่ะพระอาจารย์ลาเด้อณยินดีตอนนี้หายหนาวยังอากาศหนาวเบาลงมั้ยยัง วัสดีค่ะท่านอาจารย์เมื่อวานยังลบ24อยู่เลยโอ้24เซนติเกรเซลเซียสหรือว่า24ฟาเรนไฮต์24เซนเกรค่ะเซลเซียสได้จ้าเมื่อวานด้วยความที่เราอยู่ชั้นบนใช่ไหมคะพออยู่ชั้นบนแล้วเออ่ตัวเอตัวฮีเตอร์ค่ะเขาก็แบบเหมือนแบบมันมันมันมันไม่อุ่นนะคะมันมันด้วยความที่หลังคามันเย็นด้วยอ่ะท่าอาจารย์แล้วมันหนาวหน เขาก็อุ่นได้แค่ประมาณสิบเก้าอย่างมากก็โอเคค่ะส่วน<ม>เดวิดที่ทำงานก็สิบสามค่ะท่าอาจารย์<ม>ค่ะก็ได้แค่นี้ก็แต่วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าลมทางใต้เข้าเข้ามาอ่ะแต่มันก็เลยเริ่มอุ่นก็หน่อยค่ะท่านอาจารย์ น้ำเป็นน้ำแข็งน้ำน้ำทิ้งไว้ในรถอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นออก เ, เดวิดออกมาเป็นขวน้ำแข็งเหมือนออกมาจากช่องฟีตาค่ะอาจารย์ก็เห ม, มือ น, มนอย่างนี้ทุอย่างแล้วเนี่ยตัวยันดีเียช่องฟีตเลยค่ะทอาจารย์ค่ะก็ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์เข้ามาฟังธทำเข้ามาเรียนค่ะ่าอาจารย์แล้วก็เข้ามาเดวิดฝากกล่าวเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ลูกก็ต้องหมกบอนท้องเต้น ขอบคุณนะต้บอกขอบคุณไป <c oughs> แต่เิวิธปฏิบัตินะคะท่านอาจารย์ดีคะ <c oughs> ลูกก็ดีใจค่ะท่านอาจารย์ที่เขาเข้ามาก็เขาก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเขาเมื่เห็นเรามีแต่ปฏิบัติไม่มีเรื่องวีล้าวอะไรกับใครอาจารย์เขาก็เขาเห็นเราเฉยเขาจริงๆนะคะท่านอาจารย์ก็มีความรู้สึก ก็ดีค่ะท่านอาจารย์ที่แบบว่ากัลยาณมิตรทุกท่านก็มีลักษณะคล้ายๆกันพอเวลาเราเข้ามาในลักษณะแบบนี้มันมีความรู้สึกเบื่อเบื่อทั้งโลกค่ะท่านอาจารย์แล้วแบบอย่างอืไม่อยากจะไปยุ่งลดแทงคาชนะลดทั้งปูนพอสัมพันธ์กับโลดแทงคำแล้วมันมีความสุงกว่าค่ะท่านอาจารย์แล้วพอเวลาเราไปรับรู้เรื่องอะไรใครเข้ามาข้างนอกตอนนี้จะ จิตแทนที่มันจะแบบนิ่งมันจะสงบอย่างเนี้ยค่ะมันมันก็กระเพื่มอมอืมพระางกิเลแล้วยังทํางานดียวกระเพื่อมกับพ่อเลสอย่อนานี้ค่ะ น, าน่ะาชังโกลลง้หลูค่ะแล้วเดวิดก็ถามเดวิถามหนูว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไปหาคนเไม่นาำเลยหนูเลยบอกอไม่ไม่ไม่ไปแล้วขี้เกียจอยู่คนเดียวเลยก่อนะเอาไปเอาไปรับเรื่องเข้ามา ก็อยู่ดีๆยังนึกมีใจห น, หนูหนูหนูคิดหลายหนแล้วค่ะแบบพอเราไปคิดในใจแบบถ้าเข้าไปในทางโลกเยอะค่ะพอเข้าไปในทางโลกเยอะแล้วก็าฟุ้งซ่านเยอะเวลาเราบอกอะไรเวลาเราพูดอะไรเขาก็บอกว่ายุไม่เข้าใจไอหรอกหนูก็เลยอ่ะเมตตาเมตตาแล้วก็เฉยๆพอเสร็จแล้วพอพอครั้งที่สองครั้งที่สามพอนี่มาหนูก็เลยแบบ ไม่เอาละขี้เกียจแบบมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เราก็ไปชอบเผือกแล้วแล้วก็หาเรื่องใส่ตัวหนูก็เลยไม่เอาละแล้วลเ ด, เดวิดบอกไม่ไปเราไม่ไม่ไปละอยู่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าแล้วก็มันมันมันสุขดีกว่าค่ะอาจารย์ uh, ก็อยู่คนเดียวดีที่สุดค่ะก็เลยไม่ไะโอเคสาธุ ขอบคุณมากคท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ถูกกันค่ะ <c oughs> อืมนปุย last number อ่าพูดได้ครับพดได้อ่าอาจารอ่ามีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีครัถูกเอ่อมีนิดเดียวแค่ว่าปฏิบัติดีมาตลอดยกเว้นวันนี้ฮะวันนี้ถูก อะไรนะเขาเรียกว่าถูกอะไรเล่นนะพระอาจารย์เขาเรียกถูกกิเลสเล่นงานนะถูก อ, อมารเล่นงานนะ่ะมันมันมีอะไรมาไปกระทบให้เราแบบจะทําให้เราโกรธแต่ว่าจะทําให้เราล้นหลนทําให้มีปัญหาเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะพระอาจารย์เขาเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะั้นที่ว่าเ อ, อบททดสอบอะค่ะถูกบททดสอบ ยมสแต่ว่าสติเราไม่ดีมากกว่าถ้สติเราดีมันก็ไม่เป็นเองนะยมโดนใบของรัฐบาลทีนีน้ตอนแรกถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนยมก็คงคงจะแบบโกรธมากโวยวายมากลั่นมากอะไรอย่างนี้แต่ยมนิ่งแล้วยมก็เลยใช้สติคิดว่าจะหาทางออกทางไหนดีเพราะว่าอืมถ้าเป็นเมื่อตอนยมก็คงจะโวยวายยมก็คงจะโทษ คนอื่นคนแนะนําแต่ทีนี้โยมก็ใช้สติโยมก็เลยบอกว่าโอเคเราอยู่ในศีลในธรรมเราก็ยอมรับไปเราโยมก็ไปคุยกับเขาเมื่อเช้านี้โยมก็ยอมรับว่าโอเคนะฉันไม่รู้จริงๆและอย่างหนึง่งฉันก็ยอมเพียชงจ่ายคือเรายอมจ่ายแค่นี้และทุกอย่างวันเย็นลงแต่ว่าเรายอมถูกตัดเออ่บางส่วนออกไปแต่ว่า เรายังปฏิบัติทําได้มันเหมือนบททดสอบว่าโยมจะทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แต่โยมก็ทนได้โยมก็เลยคิดว่าเออบางสิ่งบางอย่างมันต้องแลกมาด้วยการปฏิบัตินะอาจารย์แต่โยมจะถามว่าโยมจะเลิกปฏิบัติไหมโยมไม่เลิกหรอกโยมตั้งคิดอธิษฐานแล้วจะมีน้อยหรือจะลดหดหดไปเงินจะหดไปโยมก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมอาจารย์ โยมก็ปฏิบัติถวายหลวงปู่มั่นด้วยเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบครบครบวันเกิดของหลวงปู่มั่นค่ะโยมก็โยมดีใจโยมไม่ได้ออกไปไหนเลยโยมขังตัวเองโยมปฏิบัติโยมปฏิบัติแบบปฏิบัติแบบเออเรารู้สึกแบบถึงเราจะไม่เห็นสวรวันอะไรแต่ว่าเออเรารู้สึกภูมิใจเนาะแบบเราได้ปฏิบัติให้ท่านโอเคสาธุจ้ะ โยมก็จะมาถวายรายงานกับพระอาจารย์ว่าโยมเนี่ยครบสองปีแล้วที่โยมเชื่อฟังพระอาจารย์โยมถอยออกมาจากุูงชนที่มีกิเลสตันหามากแล้วโยมก็ตัดสินใจถือสินแปดในเจ็ดวันทดลองที่ว่าโยมฟังพระอาจารย์และโยมก็ทำได้และโยมก็ถือมาตลอดจนกระทั่งวิทนาทีนี้แล้วก็ยังจะทำต่อไปค่ะ อย่า้อ้ไปกว่า จ, จะถึงนิพพานนะไปกวเดจะหมดไปจากใจโยมาขออนุญาตแต่งหน้าหน่อยนะแต่โยมไม่ได้เป็นล่อเสื อ, อ, อ ล, ล่อจระเเ้ยก็ยังไม่ยอมไปนิพพานนะยังไม่พระอาจารย์ไม่โยมตามรับใช้พระอาจารย์ไปทุกชาติทุกภพแหละ นามไปเป็นลูกปิดพระอาจารย์นี่แหละเอาเลยเอาเลยต้องแต่งหน้าเราจะได้จําได้ใช่ไหมได เ, ดเดี๋ยวถ้ า, าไม่แต่งหน้าจะจําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ไปไปโยมไปหลงอยู่ชั้นไหนพระอาจารย์ตามหาตัวโยมไม่เจอโอเคแต่งไปอยากจะแต่งก็แต่งไปไปหามขอข้อเดียวค่ะอย่างอื่นไม่ผิดนะเพราะโยมจะโยมอยูย่<ๆ> <c oughs> ไม่ว่าจะไปไหนโยมจะบอกว่าต้อง Honnet s i n เ e r e นะต้องซื่อสัตว์ชื่อตรงไม่ไม่โกหกแล้วก็ไม่พูดทําเพื่อทํำเพิ่ทําเพื่อเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้าโยมเป็นคนอย่างเมื่อก่อนนี้เมื่อสามปีก่อนที่โยมไม่ได้เจอพันที่โยมไม่ได้เสือศีนมั่นมั่นโยมอาจจะใช้ทิกใช้กลุกุสโลบายโดยที่ไม่จ่ายเงินหลวงแต่ว่าโยมไม่ทำ ยมถือว่าความถูกต้องกฎกฎหมายและกฎแห่งกรรมมันมาคู่กันยมก็เลยยอมยอมเย็นยอมยอ ม, ยอมเย็นนะค่ะย อ, <Okay. S 2> ย, อยอมยอมยมเชื่อฟังในสิ่งที่อาจารย์สอนว่าคนเราอ่ะกฎหมายมันต้องมากับกฎแห่งกรรมและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราถือว่าเราจะถือศีลแปดเราต้องทําให้ถูกเพราะว่าอยอมไม่อยากไปแก้ไขแล้วอาจารย์ okay. ตัอนักศึกษาที่นีกับชีวิตนะสู้สู้ทุกวันเลยพระอาจารย์แล้วโยมแบบว่าเวลาจะหลับตาตอนเนี้ยจะทั้งทําสมาธิหลับตาบางวันเนี่ยมันมันมันมันเหมือนอะไรที่กดเข้าไปในดวงตาโยมเหมือนอะไรแทงเข้าไปในดวงตาพระอาจารย์แต่โยมก็เออไม่หวกำกาลังจะมีดวงตาเห็นธรรมมั้งไม่ถูกครับไม่หรอกพระอาจารย์โยมมันไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอก อ่า ต, ต้องมีงใช่ลุศิทธิฐานคดมันต้องมีนุศิ์ของพระเจ้าทุกคนต้องมีความสามารถที่จะเบิกตาให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแต่มันเหมือนกับว่าถ้าโยมอยู่ในศีลในธรรมนะมันจะเหมือนกับมีอะไรเปลียมใจโยมอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้เกิดจากใครหรอกมันไม่ได้เกิดจากเวงกรรมหรือดาวเปลี่ยน ย, ย้ายแต่ว่ามันตัวโยมเองที่ว่าโยมวิ่งมากเกินไป โยมก็เลยคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันถูกแล้วยมเดินมาถูกทางแล้วยมไม่เปลี่ยนหรอกถึงโยมจะถูกหักในพันกว่ายูโรยมก็ยอมยมสู้นะเพราะว่ายมคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่สงบที่สุดนโยมหาไม่ได้แล้วออืยมดีสาธุสาธุขอขอทังพระอาจารย์ยมอยากจะนั่งสมาธิให้มันสงบสงบหน่อยเอต้องมีสตินะถ้ามีสติก็จะสงบ ใช่ค่ะ <Okay. S 2> ขอให้โยมได้ถือศีลไปตลอดเลยน้ําะอ hmm. าจากอย่าให้มีอะไรมาสะดุดเลยนะอ uh, ยมขอขอให้พระอาจารย์ธาขันแข็งแรงนะคะสาธุสาธุขอพรด้วยค่ะพระอาจารย์ขอให้สวยขอให้แต่งหน้าไปทุกภบทุกชาติสาธุค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะอ่าคุณต่อช่ะคุณต่อ อยู่ที่ไหนคุณต่อได้ได้ยินไหมครับได้ยินนะโอเคเอ่อดิเมืองนอน์ครับเข้ามา เ, อ เ, อเข้ามาสู่ครั้งแรกแต่ว่าผมฟังพระอาจารย์ทุกวันพูดออกมาเกือบปีแล้วครับ อ, อแล้วก็เคยไปฟังพระอาจารย์ตั้งแต่ดูเขาชีโอนะครับ อ, อแล้วก็ได้ได้เห็นช่องทางนิตางไอหนังสืออยากอยากเพราะเป็นความทุกข์อะครับแล้วก็เลยเข้ามา นี่เป็นราย ง, งานรายงานตัวค ร, ค, รครั้งแรกที่เข้ามากับทา่านอาจารย์ก็ปฏิบัติของผมก็คือยึดพุทโธแล้วก็นั่งไ ป, 40, 40, 40ประมา่นทักสามสิบสี่สีบนาทีก็ไม่สามารถอาชนะเวทนาได้เพราะว่าสติอาจจะไม่พอก็พยายามเจรตสติระหว่างวันแต่มันก็ไม่ต่อนเนื่อง ก, กท็ทราบทราบปัญหาเพราะว่าฟังมาฟังฟังทีงงง่สูงมิมาตลอดเจรยาน้มิตร ก, ก, ก, ก็ก็ได้คาตอบก็ทาอยู่ครับ ต้องหาเวลาไปเรียบวิเวกอยู่คนเดียวเพราะว่าจะหาโอกาสไป<ม>เขาชิโอนเห็นกัยนน้ำมิตก็ไปอยู่ก็อยากจะไปเหมือนกันครับ อ, อาจารย์ถ้าอยู่ที่วิเวกคนเดียวนี่มันโอกาสที่จะเจริสติมันดีกว่าครับก็ก็เห็นกัยนนี้ก็ไปเกิดก็อยากจะหาโอกาสไปนลองดูนะครับก็ก็ไม่มีครับก็งั้นก็ผมขอก็ยึดคาสอนที่พอาจารย์ให้ตับ ลงหายใจจะหมดไปนะครับัดีดคุณลูกตาคุณแม่ตอนนี้รอนานหน่อยนะนา ง, งานอุปศการกับพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้พาคุณแม่มากราบพาะอาจารย์ค่ะแล้วก็มาร่วมฟังค่ะโอเคคุณแม่วงงนอนหรือยังได้ไหมว่างค่ะะอาจารย์ก<อ>็ปฏิบัติทุกวันค่ะแล้วก็ เ, เพิ่มเติมคือถือสินแปดเป็นบางวันค่ะดีค่ะจะพยายามทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆน ะ, ะโอเคน้ำมันจักรีนาริกาที่ว่ากลับน้ำมักจัรเจ้าค่ะพูา้จาดการวันนี้ไม่มีคำถามค่ะมาเล่สังสันเจ้าค่ะ ยังไปที่ขึ้นแผมต่อขึ้นแผลอัธยายังไม่ได้เปิดใหม่ขึ้นแปลเปิดแล้วครณอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะวันนี้มากราบขอเพิ่มพลังเจ้าค่ะขอให้ลูกได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้มีไปขึ้นเขาชีโอนอีกเจ้าค่ะลูกอยากไปอีกเจ้าค่ะ อ่าดีอยู่คนเดียวเราไมาใช้บออกฝานนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านก็พยายามอยู่เจ้าค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนก็ต้องพยายามปฏิบัติไปได้มากได้น้อยที่ก็ดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติไปเจ้าค่ะอ่าโอเคนะเจ้าค่ะสาธุนรับสายสาธุเจ้าค่ะขอบคุณหมอสุธทธัตถ์เจาหนึังสการ์ท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะเป็น ไ, ไงจิตใจสงบไหมสงบดีเจ้าค่ะสงบทั้งวันใช้เปล่าก็ไม่ถึงกับทั้งวันแต่ก็พยายามเจริญสติทั้งวันเจ้าค่าะที่มันไม่สงบเพราะอะไรอาจจะคิดเรื่องงานเจ้าค่าะช่วงนี้เคสค่อนข้างเยอะมากเจ้าค่ะเวลาเมรายมากระทบในี่เป็นยังไงบ้างรับได้ไหม เวลามีอะไรมากระทบไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้สึกที่จะมีอารมณ์เท่าไหร่เจ้าค่ะอยังรักษาใจได้เจ้าค่ะแล้วเราก็ปล่อยวางนะจากแต่ว่ า, รราเราแล้วค่ะแล้วก็อ่าสิ่งหนึ่งที่เห็นความก้าวหน้าของตัวเองก็คือสามารถผ่านเวทนาไปได้เจ้าค่ะหลายครั้งเจ้าค่ะอ่าดีใช่อะไรใช้กรรมริกรรไหมใช้ปัญญาใช้ปัญญาเลยอ ม, <า>อมองว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไหม ใช่เจ้าค่ะอานันต์ตาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้นะอยู่กับเวทนาได้เจ้าค่ะไม่กลัวเจ้าค่ะอ่ดีท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนใจท่านนี้จะไปเกลียดมันไปกลัวมันเอาไปชอบมันก็อยู่กับมันได้ใช่เจ้าค่ะใช้วิธีเปลี่ยนใจเจ้าค่ะอืมเดียวกำเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราได้นะใช่เจ้าค่ะถึงเวลามันก็มันเปลี่ยนไปถึงเวลามันก็มันก็หายมันไปเองเจ้าค่ะ โอเคดีอ้าเจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วเรื่องความตายเป็นยังไง ร, รับได้ยังต้องเจอข้อสอบเจ้าค่ะแต่คิดว่ารับได้เจ้าค่ะอืเตรียมอยู่เรื่อยๆนะเตรียมตัวตายอยู่เรื่อยๆทาการบ้านทุกวันเจ้าค่ะม า, มานมอสเตย์อยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะคณทอ า, าจารย์โ okay. อเคดีขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะอ้าเจอ คุณสุริทนทร์ทำงไงสติกำลังยังแล้ว ส, สติก า, ยย า, ารย่อไม่คิดว่าวันนี้จะจะได้พบพระอาจารย์ไหว้หนูว่าหนูเข้ามาช้าค่ะค่ะตอนนี้หนูก็หนูคิดว่าหนูกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะพระอาจารย์ก็หลังจากที่สนทนากับพระอาจารย์เขาที่แล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องที่จิตหลุดไปไหนอะไรไงอีกก็ก็เป็นปกติค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะ แต่ที่เปลี่ยนไปคือเวลาฟังธรรมอะค่ะเหมือนเหมือนมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้เคยฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแต่พอมาฟังอีกทีหนึง่งรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะ <c oughs> เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันยังลงไม่ถึงจิตแต่ตอนนี้พอมาเข้าใจอีกทีหนึง่งมาฟังอีกทีหนึง่งเนาะเห็นว่าอ๋อไอ้ตรงนี้ไงล่ะพลาดอยู่ตรงเนี้ยนิดเดียวเอง ถ้าแก้ตรงนี้ได้น่าจะทําได้อย่างเนี้ยค่ะการลองทำเนี่ยก็อันที่สองก็บทให้กระแสนะทำที่เคยได้ยินใน้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับค่ะหนูก็ ม, <น>มีความรู้สึกเหมือนกับทุกๆ ท, ท่านนะคะว่าอยากอยากจะไปปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าพออยู่ที่บ้านเนี่ยสี่งแปดยังทําไม่ค่อยได้เลย<น>แต่พอไปเข้าอคอร์สหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเนี่ย หนูรู้สึกว่าสิ่งแปดเป็นเรื่องธรรมดาอาหารอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยากทา น, มนไม่มีอะไรมาลอดใจเนาะค่ะแต่หนูโชคดีที่ว่าอยู่ที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรมากระทบนะคะแล้วก็หนูยังทํางานที่บ้านอยู่มาเกือบจะสองเดือนแล้วอะคะ่ะแล้วก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละคะ่ะที่เป็นแต่เขาก็ไม่ได้ช่วงหลังๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหนูหนูก็รู้สึกว่าหนูปฏิบัติได้ง่ายขึ้นอะคะ่ะแล้วเหมือนพอจิตมันรู้ทางว่ามันจะไปยังไง พิจารณาตรงไหนเงี้ยค่ะมันก็เข้าไปได้ไวขึ้นใช้เวลาในการเข้าไปง่ายขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติทุกครั้งเท่าที่มีโอกาสทําได้อะค่ะอาจารย์หนูก็จะปฏิบัติบูชาพระอาจารย์เช่นกันนะคะหนูก็จะทําต่อไปไจนกวน่ามันจะแล้วปีเลอยจะตายหรือเราจะตายก่อนเนะ่น แต่มันยากมากค่ะพระอาจารย์ถ้ายังถ้ายังทํางานอย่างนี้อยู่ถ้ายังเป็นปุถุชนอย่างเนี้ยค่ะก็ะเตรียมไว้ก่อนไงเดี๋ยวพอไม่มีทาร่าแล้วก็จะได้ไปขึ้นทางหนุนได้ครับพระอาจารย์หนูหนูถึงได้รู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆที่ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์หนูก่อนหน้านี้หนูคิดว่าหนูเป็นคนวาสนาน้อยอย่างเนี้ยค่ะว่าไม่เข้าใจธรรมะคืออะไรแต่พอได้มาฟังธรรมะของพระอาจารย์นี่มัน ไม่รู้มันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มันเข้าไปทั้งในในจิตนะ น, นะคะเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งตัวเองก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วแต่มันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีจนกระทั่งมันถึงจุดนั้นอย่างที่พระอาจารย์นั่น <sound> มันมีหลายระดับไงก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะหนูก็เลยเข้าใจก็จะเล็กซึ้งกันไปเรื่อยๆค่ะหนูก็จะตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะ<ๆ>แล้วถ้าหนูมีคําถามหนูจะได้มากับ เรียนถามพระอาจารย์อย่างที่ <Yeah. S 2> ว่าหนูโชคดีที่หนูยังถามพระอาจารย์ได้พระอาจารย์แก้ให้หนูได้อะคะ okay. อ่ะโอเคถูกยังไงกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก yeah. ็เอ่อต้องกลับนมัสการพระอาจารย์แทนจิบด้วยนะคะวันนี้เห็นเขาบอกว่าเขาเข้าไม่ได้อะคะ่ะเออาขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะอ่าคุณมาเลยเป็นยังไงคุณมาเลยวุฒิการก็พอค่ะ ไม่ไงก็<ะ>สอบแก่เจ็บตายทําได้หรือยังก็คิดว่าน่าจะทําได้ค่ะก็ะไม่มีปัญหานะไม่น่ากลัวไม่ไม่ก่อนนึกนะค่ะแล้วก็ก็รู้รู้สึกว่ามันเหมือมันมันวางวางมันถอยถอยออกมาเยอะเยอะอยู่ค่ะลูกก็ถอยไม่ได้มันถอยไปได้ หมายถึงว่าไม่ไม่ต้องไปตื่นไปเต้นกับสิ่งที่มันเข้ามามมไงค่ะหลวงพ่อมันระเบือมันเหมือนค่ะเสดมันเหมือนอย่างมีเรื่องคขึ้นมาไงคะ่ะก็รู้แล้วเราว่ามีเรื่องก็ก็คือทําใจไปยอมรับไปเงนี้ยคะ<ม>่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่ต้องเอาเก็บเข้ามาไว้อยู่ในใจไงคะ<ม>่ะหลวงพ่มันก็ไม่ไม่มีอะไรที่มาขังอยู่ในใจเราซึ่ ง, <ม> ซ, งซึ่งถ้าเป็นอยเมื่อก่อนมันก็ทุก ทุกมากมากค่ะหลวงพ่อนี่ยนี่เป็นหน่วยควันไฟนะเข้ามาปุ๊บก็าะลายจางหายไปค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วหนูจะตัดออกไปเลยส่ะหลพ่อจะไม่เก็บเอาเข้ามาแล้วค่ะพยายามที่จะตัดตัดออกไปเพราะว่าถ้ า, ถ, าถ้ามาปฏิบัติแล้วเรายังทําไม่ได้มันก็เหมือนเราไม่มีปัญญาหลวงพ่ อ, พอมันยังมันยังปล่อยให้จิตใจเราทุกอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอหนูก็เลย พยายามดูค่ะหลวงพอ่อมันก็มันก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วพอหนูหนูฝึกทางปัญญาข่ะหลวงพ่อมันสมาธิเข้ามาเองนะคะหลวงพอ่อมันหนูก็ทราบว่าเออเวลาเขามาเนี่ยก็ก็รู้รู้ว่าเขามาเราก็มันมีความพอใจที่เวลาสมาธิเข้ามาเองคะหลวงพอ่อแต่ว่าขณะหนูทํางานเนี่ยหนูก็จะหยุด แล้วหนูก็ทั้งลืมตาข้างในมันจะรวมอยู่แบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันรวมแล้วก็สงบคือคือผลดีมันมีเยอะขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วเวลามันมันมีสมาธิตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อเวลาเรามาพิจารณาอะไรเนี้ยมันมันเหมือนมันมันทำให้ให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมีมีสติที่จะคิด เหมือนตัดอะไรออกไปได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะหลวงพ่อทําใจได้ขึ้นได้ได้ได้เยอะขึ้นปัญญ า, ามันดีกว่าสติปัญญ า, านี่มันตัดแบบขาดไปเลยค่ะหลวงพ่อโอ้ก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่ามันมีนิดนึงตรงที่ว่าเขาเขาจะมาเองสมาธิเขาจะมาเองแบบมันไม่เลือกเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อน่างใจแล้ไม่ปรุงแต่งมันก็มาทันที ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อถ้าเราตัดแต่ว่านู่นเฉยๆไปมันก็เดี๋ยวมันก็เข้ามาค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วบางทีมันอยากจะหลับตาคือหนูก็จะหยุดถ้าอยู่บ้านเนี่ยหนูหยุดเลยถ้าเกิดเขามาเนี่ยหนูหนูปฏิบัติเข้าเลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าถ้านั่งอยู่ที่ทํางานเนี้ยหนูหนูก็ลืมตาแต่ว่าข้างในอ่ะมันสนบงบสงบเพรมันรวมจิตมันรวมแบบอันทีเลยเนี้ยค่ะหลวงพ่อ บรรยากาเย็นมันรับเข้ามามันไหลเข้ามาในใจใช่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีผลดีตรงที่เวลามันเป็นผลที่เกิดจากการเราฝึกสติสับกับปัญญามาอยู่อย่างสม่ําเสมอค่ะหลวงพ่อมันไม่ต้องไปอยากให้มันมามันก็มาถ้าเหตุพร้อมมาแลมันก็มาค่ะหลวงพ่อแต่พอช่วงที่หนูว่างหมายถึงว่าหนูทํางานไปหนูจะ จะฟังย้อนเทปเก่าของหลวงพ่อที่สอนเรื่องการพิจารณาอาการ32หรือว่าฟังของหลวงปู่หลวงตาอะไรอย่าเงี้ยแล้วหนูก็จะพยายามมาปรับแต่ตัวเองว่าหนูต้องมีมีอะไรที่หนูจะต้องทำอีกหรือว่าอะไรที่หนูไม่ควรจะทำ่าเงี้ยหนูก็พยายามคือตอนนี้จบจอที่จะฝึกตรงเนี้ยเพิ่มค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็เห็นเห็นผลมันมาเรื่อยๆค่ะหลพอ นักถึงวันนี้หนูเรียนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปีปลายปีหกสามต้นปีหกสี่ก็วันนี้ก็ประมาณสี่ปีเต็มแล้วค่ะหลวงพ่อกดีถ้าเป็นมาอะไรก็ควรจะจบเป็นปตีได้นะแต่วันยังไม่จบทาต่อไปก็ทำต่อไปค่ะหลวงพ่อหนูหนูก็เพิ่งเข้าใจว่าพิจนาตรงนี้มันต้องเห็นแจ้งนะคะหลวงพ่อ เห็นแจ้งก็เห็นตลอดเวลาเห็นแจ้งก็เห็นตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อแต่มันยังไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องมันก็จบจบได้ใช่ไหมใช่มันยังไม่เห็นตลอดเวลายังเป็นเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ค่ะแต่แต่หนูก็ดีใจตรงจะบอกว่าดีใจพอใจใช้คาว่าพอใจก็ได้ค่ะหลวงพ่อว่าเห็นทางเห็นแสงเห็นแล้วก็ควรที่จะเดินไปให้มัน ถึงจุดหมายอะไรเงี้ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็จะพยายามค่ะหลวงพ่อยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราค่ะหลวง<ม>คือตอนนี้ไม่ได้มีเขวไปทางไหนแล้วลค่นะหลว ง, งพ่อค่ะดีโอเคทำต่อไปนะค่ะหลวงพ่อกล่าวขอบพระคุณค่ะคุณกีตาร์นะกตาอยู่กรุงเทพหรือเปิดได้ไหมไหม มาสักการค่ ะ, ระอาจารย์อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะครั้งแรกหรือ้ามานี่เออเคยเข้ามาช่วงประมาณหลายเดือนก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เอ <ไป S 2> ติดอย่าง<ป>ช่วงคําค่ะแล้วบางทีก็แพ้กิเลสบางทีก็เข้าไม่ทันก็เลยฟังอยู่ใน y o u ูทูบค่ะค่ะอาจารย์อวันนี้มีอะไรหรือเปล่าค่ะวันนี้ก็เออจะขอคําชี้แนะพระอาจารย์ค่ะคือกําลังสติยังยังไม่พอค่ะพอเจอ เหตุที่เป็นเอเหตุทุกเหตุพัดพาจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักก็ก็ก็ยังทุกข์อยู่ค่ะยังเศร้าหมองจะจะฝึกสติให้ให้มากขึ้นก็ค่ะอ่าฝึกสติบ่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดนะเ จ, จ้าค่ะได้ยินก็ค่ะก็ระลึกพุทโธใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าพุทโธก็ได้เรื่องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ร่างกายกําลังทำอะไรก็อยู่กับการการกระทําของร่างกายไปกําลังกินก็กินไปกับร่างกายกําลังอาบน้ําแต่งตัวก็อยู่กับงานที่เราพยายามทําอยู่ไม่พูดถอยไปก็ได้เจ้าค่ะแล้วคือถ้าจิตเอ่คิดปรุงแต่งหรือบางทีก็มีอ่สัญญาหรือบางทีก็มีเวทนาขึ้นมาเนี่ยเราควรจะก็กลับมาพูดโธทันทีแสดงว่าเราเผยแล้วเราลืมพูดโธไปแล้วจ้าค่ะ อย่าไปตามอย่าไปคิดอย่าไปวิเคราะห์อะไรตา่างๆอันนี้เราต้องการหยุดความคิดหยุดการวิเคราะห์ทั้งหลายให้อยู่กับพุโทโธและอยู่กับการเฝ้าดูร่างกายไปค่ะเพราะบางทีก็ฟังอธรรมะเยอะค่ะก็ตามฟังพระอาจารย์ก็ก็คิดไปเหมือนกับจะคิดไปทางปาัญญาแต่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกอก็ยังเป็นปัญญาจากการการฟังค่ะ ม, มันไม่เป็นกลางแล้วฟังแล้วมันก็พอคิดไปคิดมามันก็ฝูงตาน ใช่มันยังไม่มันขาโอุเบกขาเราต้องมาเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้อุเบกขาก่อนแล้วค่ะค่ ะ, ะน้อนั่นไปปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาค่ะอาจารย์โอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมค่ะเอ่ยวิญาณชิต่อวิญาณชิตอยู่ที่ไต้หวันนะอย่างนี้ไม่คือวิญาณชิต ครับน้ำมาสการครับอาจารย์ได้ได้ยินไหมครับได้ยินจ่ะมีอะไรไหมอ๋อวันนี้เข้ามาช้าครับเพราะว่าเพิ่งเลิกงานมาครับทําการหรือกันครับทำไม่ครับทำโอทีครับโอทีครับก็เลยนนวันนี้ตรงที่ไต้หวันที่บองว่าตอนนี้ที่ไต้หวันห้าทุ่มก่อนจ ะ, จะสี่ทุ่ม สี่สิบเก้าครับของเสื้อสี่สิบเก้าหากันแค่ช่วงเดียวนะจากวันครับคอัผมก็จะไปพักอยู่ครับเดือนหน้าครับกลับบ้านเหรครับเดือนหน้าไปพักพักพักอย่ครับเยมหัอยังไม่รับพี่น้องพ่อแม่อยู่ปะอยู่ครับอือแล้วส่งส่งส่งกงินใหพ่อแม่ใช้บ้างเปล่า โตทุกเดือนครับอ่าดีครับจาแทนเป็นคุณนะขอบพระอาจารย์อืมมีเข้ามากราบพระอาจารย์ครับเพราะวันพุธพอดีก็เลิกงานแล้วเข้ามาเลยเข้าได้เลยกราบพระอาจารย์ครับโอเคดีทาต่อไปครับก็มีอื ม, อ ม, มีเรื่องกระทำพระอาจารย์ครับนั่งนั่งไปแล้ว ไม่มีอะไรแต่เหมือนรู้สึกว่าเราเราเหมือนรู้สึกว่าเรายิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมืดแต่มันมันมันนั่งนานแต่มันเหมือนแป๊บเดียวครับอาจารย์ดีก็ไม่เป็นไรแล้ว่าเราเป็นความสุขครับมันเหมือนไม่อยากออกมาครับอาจารย์แต่แต่ว่ามันยังไม่สงบนะครับแต่มันเหมือนเราไม่อยากออกจากเราไม่อยากลุกออกจากที่ตอนเรานั่งนะครับอาจารย์ มันเริ่เรื่องสัมผัสเกี่ยวกับความสุขแต่ยังไม่เต็มที่ยังไม่นั่นเต็มที่ก็ดีทำไปฝึกสติให้มากๆหน่อยแล้วต่อไปมันจะลงไรื่กว่านี้ครับอาจารย์น้อมรับนมัสการบูชาอาจารย์กับนาจ้าทุกคุณพิษสกลนครตอนนี้นาวไหมสกุลที่องศาเมื่อเช้านี้ สามมัธยสการพระอาจารย์ครับได้เปิดแล้วครับได้ได้ยินมับพระอาจารย์ได้ยินมือเช้านี้กองศาก็เมืเช้าก็อยู่ประมาณาสักเออเออสิบเจ็ดองศาประมาณนี้ครับ<ช>อาจารย์ 20, ไม่น <20. S 2> ไม้นาเท่าไหร่ทีนี่ยี่สิบครับพระอาจารย์ครับก็ไม่หนาวเท่าไหร่ครับอาจารย์โอ้สิบเ็ดก็น่าถที่ทนี่สิบเจ็ดนี่แสดงว่าก็ช่องช่องเย็นเย็นก็อยู่ประมาณสักแปดองศาครับอาจารย์แปดเก้าองศาก็อยู่ประมาณ มไมนะ่ต่ำตอนเย็นนตอนเช้ากับไม่ไม่ไม่กลับมาสูงได้ไปถึงเช้ามืดเนนะั่ยหายไปได้ครับอาจารย์ครับได้ยินอยู่ครับพอาจารย์โอเควันนี้ว <Yeah. S 2> ันนี้ไม่มีคำถามครับอาจารย์กราบขอบพระคุณครับอาจารย์โ <Okay. S 2> อเคข้ารเจ้ากรับคุณปลางว่าอะไรช่กนละ่อวนมรดการเจ้าพระอาจารย์เดี๋ยวก่อนอื่นหนูขออ่กราบ สวัสดีแท น, นาาการรมสกันแทนพี่พี่ลี่ข้างบ้านค่ะพี่เขาฝากฝากกับธรรมสกรรนมนนนั น, นเขาฟังมาเป็นไรคือยังอยู่ปกติค่ะเขาจะเหมือนกับเลิก ง, งานเวลาเนี้ยค่ะแต่ว่าบางทีช่วงหนูนั่งนั่งอยู่ในห้องเนี้ยห้องเนี้ยนะคะจะได้ยินเหมือนพี่เพราะว่าฟังเปิดฟังทำอยู่ค่ ะ, อ, ะอยู่ติดกันค่ะเป็ น, เ ป, นเป็นบ้านบ้านเดี่ยวติดกันค่ะอแล้วก็ อันนี้แจ้งผาจานย์ค่ะก็คือยังไม่ทันยังไม่ทันเจะจแบบบจากงานเนี่ยค่ะปัจจุบันนะคะเราเรายังว่างงานเลค่ะก็พอดีเพื่อนก็เหมือนกันเลยน่ะมีนะคะเขาก็แนะนํากันมาแล้วหนูก็ได้งานแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในสีราชาทีนี้สิ่งสิ่งที่สิ่งที่หนูได้ได้มาก็คือปกติตอนนี้เงินเดือนก็หลักเลขหกหลักนะคะแต่ว่างานที่ได้คือเป็นเลขห้าหลักแล้วก็ตําแหน่งก็ลดลงแต่ว่าหนูก็มีความยินดี เพราะว่าหลังจากที่แบบได้คุยแล้วก็ได้ต่อลองกันคือหนูจะมีเวลามากขึ้นมีเวลาที่แบบจะได้ทําอะไรส่วนตอมากขึ้นนะคะอื ม, มันก็เลยต้องคิดว่าถ้าได้เวลาแบบนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นเจ้าค่ะยอดีนะค ะ, ะ, คะก็หลังจากนี้ก็คิดว่าถ้าถ้าได้แล้วแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปัญหาที่ตัวเองแล้วค่ะไม่ไม่ใช่ปัญหาที่ที่ปัตตัยอื่นๆซึ่งหนูก็จะปฏิบัติบูชาเหมือนกันน ะ, ะอื กับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอน้าด้วยอ่าคุณปูเป้เชนปูเป้แม่น้องหลินกับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะ่ะได้ยินจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าคะ่ะพอดีมีช่วงหนูปบำเมินคนไข้มาเป็นพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วทีนี้พอหนูผ่าตัดหลายรอบแล้วก็เป็นหลายโรคหนูก็เลยเอาทํา ได้มาใช้ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนแรกหนูก็ปฏิบัติมาแล้วก็ป่วยด้วยแล้วผ่าตัดด้วยหนูก็เลยแบบเคยมีความสงสัยว่าพอได้ฟังธรรมอะค่ะพระอาจารย์ที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอหนูมาฟังธรรมกับพระอาจารย์ mm hmm. ใช่ไหมเจ้าค่ะ mm hmm. หนูก็เลยเลยมาให้หมอผ่าตัดเพื่อปรับ ปากเดียวที่หลังจากผ่าสมองอ่ะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าช่วงผ่าสมองเนี่ยหนูจะหนีความปวดใช่ไหมเจ้าคะพอหนูมาฟังธรรมจากพระอาจารย์เนี่ยคะ่ะหนูก็เลยมาได้รู้จักธรรมโอสถ์นะค่ะพระอาจารย์ก็ mm hmm. เลยอ๋อเข้าใจเลยว่ายาใจจากยาจากพระธรรมเนี่ยคะ่ะมีความมีความดีแล้วเป็นของจริงที่ที่สูจนได้อะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็จะไม่ค่อยได้ปวดหนูก็เลยลองผ่าตัดรอบที่สิบดูก็เลยได้เห็นผลจริงนะคะพระอาจารย์ว่าธรรมะเป็นยาใจที่ดีมากเลยะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยกล้าบอกคนอื่นนะคะถึงแม้เป็นพยาบาล น, นะคะพระอาจารย์ประเมินความปวดผู้ป่วยนะคะพระอาจารย์ mm hmm. พอมาเป็นเองแล้วสัมผัสก็เลยได้เจอของดีะคะ่ะพระอาจารย์ที่ต้องปฏิบัติแล้วสัมผัสเองเท่านั้นนะคะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีขายอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอกพอได้เป็นเองก็เลยโอ้ของจริงค่ะพระอาจารย์แล้วก็ดีใจที่ได้ฟังธรรมแค่ฟังธรรมจากพระอาจารย์ก็เลยแบบอยากรู้ว่ารอบผ่าตัดครั้งที่สิบหลังจากผ่าสมองนะค่ะพระอาจารย์จะปวดเหมือนตอนผ่าสมองไหมก็พอยอมรับกับสิทธร่างกายที่เป็นค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้กลับทุกข์ใจให้มา เจ้าค่ะหลายๆคนเขาจะสงสารเกี่ยวกับว่าหนูเนี่ยผ่าตัดเยอะมากอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจต่หนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายอะค่ะพระอาจารย์เหมือนได้ข้อสอบเลยค่ะพระอาจารย์ได้เห็นนับปัญญาหนูหนูก็เลยกทุกบอไดีปัญญาบ่เกินได้เลยค่ะพระอาจารย์หนูว่าข้อสอบหนูนี่เยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ได้ประลองได้เจอจริงๆแล้วก็ พอได้ฟังทำจากพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้ของจริงเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยกล้าบอกว่าก็เลยหนูก็เลยบอกโอ้สัมผัสหนูก็เลยรีบกลับบ้านมาตักบาตเลยค่ะพระอาจารย์โอเคดีมากทำตามไปนะให้ตาเ่าสดไปเรื่อยรักษาใจเนะื้อพระอาจารย์คะ่ะตอก่อนหนูอยากเป็นดีเทลขายของขายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอมาเป็นคารวะ ก, ก็ทาําหน้าที่คารวะโปรโมตของพุทธศาสนาเลยค่ะ ของอ ด, อดีมาก้ า, าค่ะอะ <Good evening. S 1> า, า, าจารย์อย่งงาดีมากสาธุสาธุค่ะคุณนิงอธิยาเช่นคุนิงเาเอาอาวัีแข้ยไครับะอาจารย์จ้เป็นไสตัวนอนแล้วยังดิ้งสองตัวนอนนะคะเมื่อกี้มันก็เสียงดังแล้วรินไล่ไปนอนเพราดึกแล้วค่ะพะอาจารย์ ก็ไปวัดก็ยังเป็นลิงเหมือนเดิมมันโตมันดะีไงคนโตวัดนั่งอยู่นะอ่าเข น, นิ่งอยู่ค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าคนเล็กจะมาถามตลอดว่าวันนี้ไปวัดไหมพ อ, อไปก็ไม่ <laughs> ก็ไ ม, ม่เพื่อแล้วมั้งเขามาเจอจัดเตจัดแม่เตจ่าใช่ค่ะเขาก็ได้เพื่อนมาแล้วก็บอกว่าได้ของจากพระอาจารย์มาเขาเียกว่าเอาเอามาทําไมเอาพระพระอาจารย์ให้บลวงตาให้ เอาเหรอคะก็เลยว่าอเงี้ยเขาบอกเขาดีใจครับ mm hmm. เอาที่ดีใจเนี่ยได้ของใช่ไหมที่ไปไม่ใช่เขาบอกอย่างเงี้ย mm hmm. เอาแต่ชอบใช่ชอบเขาแบบนี้นะคะ mm hmm. แต่ก็เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วถึงเวลาก็คือมาถามแล้วก็คือพาไปอ่ะค่ะพระอาจารย์ดีฉันน่ามีมีของเก่าอยู่คนะ่ะก็คิดว่าเขาเขามีของเก่าแต่เขาก็ mm hmm. พอสวดได้นโมตสาหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ทําได้ อาจารย์แต่ก็ยังเป็นลิงเหมือนเดิมเพราะตามภาษานะคะอาจารย์ยยกยี่ ข, ข, ขวบหกวขวบห้าขวบห้าขวบค่ะห้าขวบค่ ะ, <อ> ค, ะคนตัวเขาก็จะนิ่งๆหน่อยนึงอ ะ, ค, ะค่ะพะ่อแม่สองคนเป็นพี่น้องกันหรือเป็นาพี่น้องกันค่ะอาจารย์เป็นลูกไขรลูกของลูาอาทยเลยลูกของร้านชาย ะ, ล, าายะลูกของชาลูกชายค่ะอาจารย์ลูกของลูกชาย เราก็เป็นยาเ่ย่าเป็นยาค่ะพระอาจารย์ก็ดูแลคนคนคนแก่ด้วยแล้วก็เด็กด้วยอยู่ในบ้านนะคะพระอาจารย์ได้รู้ทชาติมีทั้งแก่มีทั้งทั้งเด็กจะได้รู้ว่าวิธีดูแลมนต่างกันนะรู้เลยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ตอนที่เข้ามาใหม่ๆ ทั้ในเรื่องของสัตว์ด้วยอะค่ะพระอาจารย์ที่ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรครับพระอาจารย์เห็นสัจธรรมหรือว่าเห็นอะไรคะที่ได้ไไ ด, ดูเลยนั่งจเตียงอะค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็มาหันกลับมามองที่ตัวเองแล้วก็มองที่คนนะคะพระอาจารย์อตอนที่คิดเขาแล้วหนังเขาหลุดติดมือ น, นึกว่าคิดขึ้นได้เออจากที่สวยงามตอนเล็กๆ เ, เ, เราลักเขา น่ารักมากเลยณตอนนี้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลมีมีเราคนเดียวที่ดูแลเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ที่อยู่ด้วยกันนะคะอาจารย์หนูก็เลยว่าขอเป็นตัวสุดท้ายในชีวิตแล้วหนูไม่เอาล้วแล้วก็หันกลับมาคือปฏิบัตินะคะอาจารย์กับอาจารย์ให้ให้มากยิ่งขึ้นตามความตั้งใจที่เออ่ได้คิดไว้ว่า ในระยะเวลาสองปีพยายามที่จะไปฟังธรรมะของพระอาจารย์ในทุกอาทิตย์ล้วก็ทำได้นะคะรับพระอาจารย์แล้วก็ไปเัิดหลอดโดยที่ตัวเองไม่ไม่ได้ขาดเลยอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือฝึกปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนคือหนูมีเรื่องอยากจะถามครับพระอาจารย์ว่าจากที่เราสวดมนต์มาโดยตลอดทีนี้ หนูก็จะมานั่งสมาธิมากขึ้นเราไม่ต้องสวดมนต์เนี่ยก็ได้นะใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะนั่งไดง่ายขึ้นเลยการสวดมนต์เป็นการช่วยให้เรานั่งสมาธิให้ได้นั่นเองถ้าเรานั่งได้ก็ไม่ต้องใช้การสวดมนต์ก็ได้ไม่ต้องใช้ ก, ก็ได้ใช่ <c ười> ไหมครับอาจารย์นอกจากวันไหเราเสกด้า น, นั่งแล้วมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านก็ใช้สวดมนต์ช่วยออก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าในระหว่างวันที่เราทําอะไรเหมือนไปซื้อของ ไปหางไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราเลือกเราก็ดูนะคะพระอาจารย์แต่เวลาเราเดินเราก็เจริญสติค่ะพระาาอาจวุโสคิดได้เวลาถูกบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พุดโทรหรือบางทีมันก็แว บ, บไปแล้วก็กลับมาเรืนึงกลับมาอย่าปล่อยมันไปคิดนรื่องนี้ค่ะได้เร็วขึ้นโอ้อหแล้วก็สามารถที่จะนั่งนั่งได้สะดงกอนดีขึ้นนอนจะนั่งได้ง่ายขึ้นนั่งได้นานขึ้ น, น ล่างในงานาขึ้นเราสงบ<อ>ได้มากขึ้นใช่กับอาจารย์ฝึกสติไปเรื่อยๆดึงมันไว้ดึงมันไว้อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปลูกมั น, นไว้กับพุโทโธปลูกมันไว้กับการทํางานของร่างกายก็ได้กับอาจารทีนี้พอเวลาที่เราเิ็นร่างกายเราบางทีเราก็นึกตั้งมือบางทีเล็บหักอ๋อมันก็ไม่ใช่ของเราเอกหักก็ไม่ใช่ของเรา ไอ้ทุกสิทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเหรออะไรก็จะหายไปใช่ไหมเราปเป็นต้นเอยอ่าสาธในตัวเรามันไม่มีอะไรในตัวร่างกายนี้นไม่มีเราอย่างนั้นเลยเราเป็นเพีผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นไปคิดว่าเป็นเราอาธุเมื่อเราหยุดคิดมันก็หายไปตัวเราก็หายไปกกอ่าปัญญาที่ไปหรือใจหยุดคิด เ, เ้าจะว่งไหม มันเราหายไปน ะ, ะมันมัน ม, มาจากมาเราความคิดพอคิดมันก็กลับมาใหม่ค่ะอาจารย์คือเวลาที่ตอนที่นั่งแล้วตอนที่เราคือเหมือนอยากจะออกเนี่ยคือคืออยากจะลืมจาเนี่ยดื่มยากมากเราไม่ได้อยากจะนนี่ออกมาแต่พอออกมาได้แล้วหนก็ไม่ได้คิดอะไรนั้นก็จําคําที่อาจารย์สอนว่า เราก็ยังพูดโทรอยู่นะับตรงจุดนั้นนะ่ะถูกใช่ไหมคะรใช่แล้วเสมันสงบแล้วเวลามันจะเอามามันต้องใช้เวลาหน่อยอก็ใจเยนเ็ยนรอนไปรับอาจารย์ไม่มีปัญหาอะไรเอาเออกมาเช้าออกมาเร็วก็ได้แอ้วนั้นครัอาจารย์โอเคน่ามีอะไรไหม ไม่มีครับอาารย์ผมก็จะปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์โอเคคนคนคนเกิดบัณฑิตตายเป็นานเป็นยังตอนนี้หายหายเจ็บใครยังนิมิตการครับอาารอืมก็เดี๋ยววันวันอาคารหน้าครับก็จะไปทําไปสีสีแล้วไปทีสแกนอีกรอบหนึงครับมันยังไม่หายดีครับเป็นอะไรนะเออนิ้วในข้อไส้มันครับอาจารย์ ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ก็ไปไปอีควาเล่มามันก็ยังเห็นมีเหมือนไวรุสครับเจ็บไม่ปวดตอนนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บครับหลวงพ่อเออัอาจารมันก็หน่วงๆเป็นบางครั้งแล้วก็บางทีแทบมันปวดฉี่มากๆมันก็จะปวดขึ้นมาครับต้องต้องต้องรีบคล้องน้ำครับท่านแล้นี้เขาพาวไปแล้วหรือยังยังครับเออเขาให้กินยาเหมือนขยาไอพ่นเข้าตไตใช่ครับ ก็เดี๋ยววันอัคารถ้าเกิดเอ่อพิท well ีสแกนเรามันจะเป็นต้องใช้เครื่องเลเซอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นต้องคุยกับหมออีกทีครับอาจารย์ที่เขาใช้เจาะเข้าไปเลยๆเจาะดูเขาใช่ครับอย่างนี้พขใช้เจาะแล้วเหมือนบางทีก็หลุดไปแล้วใช่ใช่ครับอาจารย์แต่ผมไม่รู้จะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับต้องต้องรออางคารหน้าครับอาจารย์มตอนนี้ก็ค่ะผมชง ปีใหม่นี้ก็เริ่มต้นกับทางทางครอบครัวครับอาจารย์ก็คือจับเจ้าตัวเล็กไปขึ้นไปห้องพระแล้วก็ไปนั่งไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอย่างไว้ห้าปีครับอื<ช>ทํามาตั้งแต่ปีใหม่จนถึงวันนี้ครับอาจารย์เราจะทําต่อไปครับอาจารย์สอนเด็กเด็กก็จะได้มีการปิดตัวไปครั บ, รบ ก, ก็รู้ตัวเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่พาเขาไปทําให้เขาดูเขาก็ไม่ทําครับ แต่เหมือนเขายังเด็กก็ต้องเริ่มจากในนอนไปก่อนครับอาจารย์เหมือนตรงแรกๆต้องมีอ่อนๆครับอาจารย์เ5นาทีไป10นาทีไปครับตอนนี้ก็พอเขารู้แล้วต้องทําก่อนเข้านอ น, นนี้ครับเขาก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นไปเลยนะครับทีนี้เขาไม่อิ่อนแล้วครับอาจารย์คือเขาก็ดีดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับอ วันี้ไม่มีคําถามครับอาจารย์โอเคถอยหานะหาเร็วครับเร็วๆครับไปใช้ค่าตังเก่งยังไปถอยการด้วยให้กับพระอาจารย์นั่นเยอะไปประจําทุกพุธครับอาจารย์ต้องดูไปเป็นไป BTS ง่ายครับอาจารย์อืไปเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะมาเพชรที่อนุสาวรีย์ทุกวันพุธห้ามงเย็นถึงทุ่มหนึครับแล้วเป็นงไงตัวท่านอาการท่านท่านก็สุขภาพคดีครับ มีช่วงมีที่ท่านบอกว่าหุ่นเยอะท่านก็รู้สึกเยื่ออาการไอกระเจ็บคอครับแต่โดยรวมท่านก็รักษาสุขภาพแล้วก็ลดฉันของหวานของอะไรทั้งหมดครับพหมอบอกว่าเออถ้าฉันของหวานแล้วจะเป็นน้าตาลขึ้นครับอาจารย์ท่านเดินไม่ได้เดินเดินเดินไม่ได้เห็นนั่งเวลาเป็นนบายเห็นนั่งวลดฉันไปลูกศิษเป็นห่วงครับพอาจารย์ก็คือเวลาท่านเดินเยอะเรื่อ เอ่อเหมือนทา้าวจะบวมค่ับพระอาจารย์อ่าก็เลยให้นั่งแทนใช่ก็เลยให้นั่งแทนพยายามสนองท่านครับแต่จริงๆริท่านท่านท่านเดินได้อยู่ครับพระอาจารย์อืมอครับโอเคครับโอเคสาธุแ<า>ตอนนี้ก็ไปที่คุหลาต่อคุหลาบมีคำถามไหมา ก, การนมัสก า, ารครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟ e b ุ o k พาาระอาจาย์สุชาติเจ้าค่ะคำถามแรก กรับนมัสการพระอาจารย์ครับเวลาเดินจงกรมให้เป็นสมถะเรากำหนดให้จิตอยู่กับความว่างให้จิตหยุดคิดเหมือนตอนเรานั่งสมาธิใช่ไหมครับกลาบขอพระคุณครับใช่แต่ต้องมีอะไรผูกจิตไว้อย่าไปอยู่ห้องว่างเพราะมันความว่างมันมันไม่มีอมันมนมันใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาต้องผูกใจไว้กับพุโทโธหรือผูกไว้กับร่างกายขณะที่เดิน การให้รู้ว่าร่างกายกาลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรืออยู่กับพุโทโธไปจะดีกว่าอย่าอย่าอย่าไปอยู่กับความว่างคำถามสุดท้ายกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้ามีโอกาสเราควรจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุหรือไม่ครับต่างจากการที่เรากราบพระที่บ้านอย่างไรครับกราบขอพระคุณครับเราเราเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือเปล่า ถ้าเาเชื่อไม่จริงก็ไม่มีคำจำเป็นจะต้องไปกราบะการไปกราบนี่เป็นการจะได้ไปมีมีสถานที่ที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่นี่นะเคยแสดงธรรมที่นี่เคยตรัสรู้ที่นี่เคยนิพพานที่ตรงนี้ออพอไปเห็นสถานที่จริงเ็ความสงสัยว่าพุทธเจ้าไม่จริงหรือเปล่าก็จะได้หายไปแต่ถ้าเราไม่สงสัยก็ก็ไม่มีคำจำเป็นที่จะต้องไปแต่อย่างใดก็แล้วแต่เราเนี่ย น, นี่ แล้วแต่ถ้าเราคว่าไปเราจะทําให้ความศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อหนักแน่นขึ้นมีมีพลังมากขึ้นก็นไปก็ได้บางคนไปแล้วก็มีมีศรัท ธ, ธาเพิ่มมากขึ้นปฏิบัติตามทำที่สอนได้มากขึ้นไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่เราต้องดูว่าผลที่เราต้องการมันเป็นอย่างไงหมดแล่าเลยครับท่าน